ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องหลักปฏิบัติอันวิเศษของยอดมนุษย์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่16พฤศกิกายน2543ที่ลานนาอโศกขอเชิญท่านติตาทฝั่งได้นะบัดนี้ น่าจะเริ่ทําทุกๆคนนานๆในประเทศสักทีนึงก็พูดรวมๆพูดถึงอะไรๆที่เกิดขึ้นอะไรๆที่ควรจะได้ย้ำได้เน้นกั น, นบ้างนีก็มาย้ำมาเน้นกันก่อนว่าเราเองเราปฏิบัติทากันมาหลายผู้หลายคนผ่านยี่สิปีไปแล้วนะเนี่ย ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยยี่สิปีแล้วก็น่าจะได้พยายามนะพยายามมากขึ้นหน่อยการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเผืว่าเราเข้าใจนะเข้าใจหลักปฏิบัติไม่ผิดคืออปันนักธรรมสามสํมรมอินทรีย์ โฉนเนมัตัญยุตาชาคิยานุโยคะที่พระพุทธเจ้าตรัสไป ว, ว่าเป็นหลักที่ปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยปฏิบัติไม่ผิดก็อนนี่แหละหลักปฏิบัติที่เราถ้าเราเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแล้วเราก็ทำอยู่ในในความหมายในทาให้ได้ตามความหมายของสามหลักนี้สํารวปอินซีก็คือเราต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอ สังรวมสังวรอยู่เสมอตาหูจมูกลินกายใจของเรานี่มันทํางานอยู่เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสหรือว่าสัมผัสทางกายหรือแม้แต่ทางใจที่มีธรรมารมีความรู้สึกนึกคิดทางธรรมธรรมารมทางจิตทั้ง6ทวารเนี่ยหรือ6อินทรีย์อินทรีย์หกเนีและเราก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือปฏิบัติโพชฌงเจ็ ปฏิบัติรวมหมดนั่นแหละโพธิปักคีย์ธรรมสามสิบเจ็นนะปฏิบัติอยู่ในการสำรวมอินทรีย์การสำรวจอินทรีย์นี่หมายถึงสภาพโพธิปักคีย์ธรรมทั้งหมดเลยนะละปฏิบัติจริงนะเมื่อสัมผัสก็อ่านนะรู้กายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมก็วิจัยนะวิจัยกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ทำในทำก็ต้องตรวจอ่านตั้งแต่นิวรนิวรห <c oughs> เราก็รู้จักนิวรนให้อ่านนิวรนมาเกิดในใจนะเป็นฐานแรกเลยนีวอน้าถ้าพอกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนวิจัยนามธรรมาวิจัยญยาตปริญญาทีระณะปริญญา แล้วกปะหานปะหานปริญญามีการลดละเด็กถูกในการสร้างวรสํารวมอินทรีย์นี่แหละลดละไปตลอดเวลาเมตตายจกรรมเราคุรู้ว่าออกรรมอย่างงี้มันเกิดมาจากจิตหรือว่ากรรมอย่างนี้เรารู้ตั้งแต่หยาบหยาบเมตตาใกรรมย่างนี้มันไม่ดีอ่ะมันเป็นการปฏิบัติผิดมันเป็นไปเพื่อมันบําเรอโทสะหรือบําเรอราคะบำเรอโลภ ปาณาติบาตกรมมตะสปานาติบาตอาทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมันเป็นไปในทางใดที่จริงแล้วเราก็ควรจะรู้อันนั้นเป็นภาคปฏิบัติ<ะ>ก่อนจะปฏิบัติเลยเราจะมีะส่องวรศีลสํารวมอินทรีย์ถ้าเป็นเจรณะสิมันเริ่มตนน้นโดยสํารวม ส, วส่งวรศีลสํารวมอินทรีย์ส่งวรศีลก็คือการตั้งศีลให้แกิดตน ถ้เริ่มต้นตอด็กสมบรณ์ศีสํารวมอินทรนีย์พระเชษฐเนมตัญยุตตาชากียานโยคะที่เป็นจรณะสีข้อถ้าเราลดศีลนี่มาเป็นอปณิกธรรมสามก็หมายความว่าเราต้องเข้าใจเรื่องศีลแล้วเจะปรปุษจรณะคือการประพฤติธรรมเมื่อเราศีลของใครศีลของใครก็ต้องกําหนดเอาให้พอตัวพอดีสําหรับตนมัจจิมาบางคนทําได้แค่นี้แหละ ศีลหที่มีความหมายขนาดนี้บางคนบอกว่าศีลห้าของฉันนี่ต้องกินเนื้อสัตว์อยู่แม้แต่ลึกซึ้งขึ้นไปถึงการไม่กินเนื้อสัตว์นี่ฉันทำไม่ได้อินทรีย์พ ร, ะ, ระไม่ถึงจริงๆทําได้แค่ไม่ฆ่าสัตว์สังวนระเบิดระวังไม่ฆ่าสัตว์ให้มีเกิดเมตตาตทางจิ่ก็ปฏิบัติไปแค่นั้นความหมายของศีลอธิศีลก็ได้แค่ยังต้องกินเนื้อสัตว์อยู่ บางคนบอกไม่กินเลืเนื้อสัตว์แต่ขอกินไข่อยกินไข่ก็อินทรีย์ของคนนี้ไม่กินเนื้อเขาแล้วกินลูกเขาไข่มันลูกไข่นี่มันลูกสัตว์นมมันเป็นอาหารสัตว์ไข่นี่มันลูกสัตว์ก็ม่กินตัวเขาแล้วกินลูกเขากแล้วแต่ก็อินทรีย์ภาระของใครก็ของใครกำหนดเอาเท่าที่เราทา ทำอยู่ต้องต้องตั้งตนต้องฝืนนะไม่ใช่ตั้งตามสบายตั้งศีลให้แกตัวเองนี่ต้องตั้งไว้สําหรับขัดเกลาร์ศีลเนื่องจากตั้งไว้เพื่อเราต้องฝึกฝนต้องฝืนอยู่พอสมควรแต่ฝืนมากเกินไปนั่นคือเกินมัชชิมาของเราเกินมัชชิมาของเราเนี่ยมันฝืนเกินโอ้โหมันไม่ไหวบางคนนี่เป็นไม่สบายเอาเลยนะปวดป่วยเนี่ยบางคนมาบวชนี่ศีลมันมันสูงบวช ไม่ไหวเลยมาบวจนีดไม่ไหวซึกออกไปหายซึกออกไปแล้วก็หายอก็เห็นหอบางคนซึกออกไปก็หายหรือบางคนไม่ต้องถึงบวชหรอกก็มีพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้หญิงอยู่แค่เป็นกลักไม่สบายอยู่นั่นแหละซึกออกไปไปเป็นคราวาสจากกลักไม่ได้ขึ้นมาเป็นสิกขามาออกไปแค่ได้แค่กลั ก, กออกไปเป็นคราวาสหายก็ไม่ได้ไปรักษาอะไร หายโรคไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่เจอว่าโรคอะไรไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่ได้ไม่รู้โรคอะไรทางจิตเป็นไซโคซิสมันไม่ไหวมันฝืนมันกดดันมันทุกข์ทรมานะมันก็ปวดก็เจ็บเป็นไปถึงประสาทปวดหัวปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเป็นไปสารพัด นั่นมันฝืนเกินไป <c oughs> เราต้องประเมินดูว่าศีลของแต่ละคนเนี่ยเราจะทําได้มีความหมายแม้ถ้าเขาเป็นศีลหก็มีอธิศีลอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมันมีเขตขอบเขตกำหนดอยู่มัอนไปว่ามากขนาดนั้นมากขนาดนี้ถ้าศีลในข้อสองในอธินาทานนี่ถ้าไปอ่านในที่อาตมาเคยอธิบา ย, บายเป็นเล่มขนาดนี้อธินนาทานก็เหมือนกันอธินาทานก็คือ สามารถที่จะรับหรือว่าเอาก็คือลดความโลภให้แกตนแลกเปลี่ยนมาถึงขั้นโกงขั้นทุจริตเราเราเราถือศีลเรามาถึงขั้นโกงโกงขั้นทุจริตแต่ในขั้นที่จะต้องแรกแลกเปลี่ยนมาตามกฎของสังคมทุนนิยมไรก็ต้องแลกเปรียบอะไรต่ออะไรมากอยู่ดีไม่ดีก็ยังมีตลกตะแลงอะไรเล็กๆน้อยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตรงมันไม่หยาบหรอกมันมีบ้างเล่นเ ล, เลนเลีเล่ยมอะไรบ้างเกาเอาแค่ศีลแค่นั้นเขาส่งให้มาบางคน แต่ถ้าใครสามารถสูงกว่า น, นั้นได้ก็ต้องให้มันสะอาดกว่า น, นั้นดีกว่า น, นั้นไม่หรอกดอกซื้อตรองไม่เละไม่เลีเล่ยมพยายามที่จะให้สุดยิตที่สุดแล้วก็เสียสละเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนที่สุดมาตามหลักบุญนิยมเราไม่เอาเปรียบไม่เอารัด <c oughs> เอาเท่าที่มันพรเป็นไปหรือเสียสละด้วยซ้ำจนกระทั่งแม้แต่ไม่เอาเปรียบเอารัดแล้วขนาดพอดีเท่าเท่าทุนเราก็ยังเสียสละได้ ไม่เอาไม่เอาเกินทุนเราละเราเป็นผูดที่จะเสียงให้เขาได้สลายให้เขาได้ถึงแม้ว่าเราจะไปรับเงินเดือนมาจากรัฐเนี่ยที่จริงอัตมาพูดไม่รู้กี่ทีแล้วเงินเดือนค่าราชการเนี่ยเป็นรายได้ช่อชนข่าราชการรับเงินเดือนอยู่เนี่ยเขาให้โดยสิทธิเนี่เงินเดือนเหล่านั้นคือเงินเดือนช่อชนเป็นบาปอยู่ในตัวตามสัจจะเพราะเอาเปรียบเขาขายืนยันว่าเอาเปรียบเงินเดือนค่าราชการเนี่ย ตั้งแต่ปศ .75 มีค่าราชาการขึ้นมาตั้งเงินเดือนมาจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยลดเงินเดืนมีแต่เพิ่มแต่คนมีแต่ถูกขูดรีดตลอดกาลนานมาจนถึงทุกวันนี้เศรษฐกิจคนนี่เสียเปรียบมาตลอดกาลนานเอกชนร้อยเปรซ็นต์ประชาชนร้อไม่ได้เป็นค่าราชาการนี่เสียเปรียบมาตลอดเวลารัฐบาลตั้งลําดับตากตั้งอัตรางเงินเดือนนี่เพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาไม่เคยมีลดถ้ามันสู้ไม่ไหวเขาก็ดุลค่าราชาการออกจาก ดุลข้าราชการออกเท่านั้นเองก็เคยมีดุลข้าราชการออกไล่ออกปลดออกปีนี้เขาจะลดแล้วครับอแต่ไม่ลดกันเดือน <laughs> ไม่มีลดกันเดือนมีแต่ดุลข้าราชการออกเท่านั้นค่าราชการก้อนล้นงบประมาณของเงินเดือนของประเทศไม่ใช่เงินเดือนเงินงบประมาณของประเทศรายได้ของประชาชนเก็บภาษีแล้วรายได้ต่างๆทั้งหมดได้รวมเป็นรายได้ของประเทศ GDP ของประเทศประมาณ ในงบประมาณเนะี่ยพยายามประเมินให้ได้ 900,000 ล้าน 900,000 ล้านบาทเป็นเงินเดือนของค่าราชการเสียหักออกไปและห 0,000 นล้านบาท 5,000 สนล้านเนี่ตัดออกไปเลยนะต่อไว้เพราะว่าคนไทยประเทศไทยนี้ค้าราชการไม่มีค่าเงินเดือนไม่เหมือนบางประเทศไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนค่าราชการแต่ประเทศไทยเนยังจ่ายยังเก่งโก้ สิ้นเดือนเซ็นรับไม่มีตุกติกได้รับครบทุกบาททุกสตางค์เท่าที่อัตราเงินเดือนของใครมีก็ตัดไปแล้วห้าแสนล้านสำรเงินเดือนทั้งปีเอาไปแล้วเงินของประชาชนเลี้ยงคนพวกนี้ไว้มันจะเช้าชามเย็นชาวเดือนนี้เช้าครึ่งชามเย็นครึ่งชามเท่านั้นแต่ก่อนนี้ยังชาาชามเย็นชามเนี่ยทำงานเดือนนี้เช้าครึ่งชามเย็นครึ่งชามทําไม่ได้เต็มเต็งไม่ได้สมค่าค่าเงินเดือนอะไรหรอก นี่ข้าราชการฟังอยู่ที่นี่ก็ฟังไปกันแล้วกันระบบหน่อยนิดหน่อยมันก็พอกันมันต่อเนื่องมานั่นแหละคือการเอาเปรียบต่อไม่ทำงานนี่เอาบำนาญอีกกินนานๆ <c oughs> มันก็พอกันย่ามาถามให้เขา้าเข้าตัวเลยเจ็บเปล่า อีทุกวันนี้นี่เก้าแสนล้านนี่ห้าแสล้านไปให้เป็นเงินเดือนประชาชนไปเออข้าราชการอีกสองแสนล้านหักไปใช้หนี้เทนี้ดอกเบี้ยแสนล้านใช้คืนต้นเขาแสนล้านคืนต้นเขาแสนล้านใช้ดอกเบี้ยอีกแสนล้านเหลือสองแสนล้านเท่านั้นนํามาใช้กับประชาชนอีกข้าราชการมีกี่แสนไม่รู้มีกี่ล้านไม่รู้ในประเทศไทยที่เหลือจากข้าราชการนั่นน่ะ นั่นแหละจะรับเสรยจรับเลยเงินของตัวเองนะที่จริงเงินของตัวเองเสียภาษีเข้าไปไปรวมเป็นก้อนส่วนกลางนั่นนะเอามาจะเอาไปทําถนนหนทางจะเอาไปทำโนนทํานี่อะไรอยู่ในนั้นน่ะแค่สองแสนล้านแล้วมันจะไปรอดอะไรประเทศแล้วสองแสนล้านน่ะยังมีคอร์รัปชั่นมีคอมมิชชั่นอีกต่างหากไม่ได้หมายความว่าไอ้สองแสนล้านนึงจะมาถึงมือประชาชนจริงๆเรายังมีคอร์รัปชันคอมมิชชั ruption, ่นอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นเงินมันไม่มีจึงต้องไปกู้เข้ามาเรื่อยเอาเงินต่างชาติเอาเงินไดบุ้นเข้ามาสองแสนล้านมันไม่พอน้ํายาอะไรหรอกต้องไปบุ้นเข้ามาดึงเข้ามานี่ประเทศมันไปรอดตรงไหนไปไม่รอดพูดที่ไรก็แม่ไม่รู้ไม่ไม่มีเห็นหนทางไม่เห็นหนทางพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วสามารถที่จะลดละมาได้จริงอาจารย์เขายืนยันมาจริงถ้าไม่จริงพวกคุณก็ไม่อยู่ได้หักปันนีย หลายคนก็กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจดีไม่ดีอาจจะไปฆ่าตัวตายหลายคนแล้วถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไปนท ำ, ทำกาทําการทําอะไรอะไรอยู่กับโลกเข า, าข้าราชการแม้เป็นข้าราชการได้เงินเดือนนี่ถูกหลอกไปติดฟังอะไรโลกเขาหลอกล่อแล้วก็ไปตามตามเขาอย่างโลกเขาหลอกอะไรไปก็ไปตามเขาขนาดนั้นยังมาฆ่าตัวตายเลยไม่พอพอกินพอใช้ครอบครัวนักธุรกิจเราไม่ต้องพูดเลยขึ้นลงกับเออความเอาเปรียบเอารัดความขี้โกงความ ซับซ้อนในเชิงกลในทางธุรกิจมันมากม า, กายกายกองเสร็จแล้วก็ล่มระเนรนาศ ธ, ธุรกิจต่างๆ เ, ออเงินทองมันไม่พอมันเป็นนี่เป็นสินมันประเภททุนนิยมเลยไปเปการกู้หนีมาได้กู้เงินมาได้หมุนเสียดอกเสียนั่นเสียนี่หนักเข้าทับถมเข้าไปหนักๆเข้าร้อยล้านพันล้านเข้าไม่มีทางออกหรอกตายฆ่าตัวตายกันมาบ า, บางคนไม่ถึงพันล้านเรา ก, ก็ฆ่าตัวตายบางคนร้อยล้านก็ฆ่าตัวตายแล้ว ก็เพราะเราไปหลงที่เขาจะต้องไปยินตั้งหน้าตัาง้งตาไปแย่งชิงลาบยศเงินทองไปเห็นเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตจะต้องกอบต้องโกจะต้องมีหน้ามีตาจะต้องมีอะไร ต, ต่างๆสารพัดเพราะพวกเรามาเรียนรู้ถึงโลกธรรมตรงนี้ลาะยศเสนโลเกศแล้วมาศึกษาถึงสัตว์ธรรม จ, จริงๆเพราะ <és S 2> คนเราเนี่ยกินอยู่มีปัจจัยสี่พระอาจารยสอนแต่ปัจจัยสี่นอกนั้นก็มีเครื่องเคียงเครื่องประกอบเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ พออาศัยที่สําคัญไม่สําคัญเราตัดไปเลยเราเรียนรู้สิ่งที่ต้องตัดไปเลยได้เนี่ยเราถึงอยู่รอดไอ้สิ่งที่เรายึดติดยงังยึดอยู่บ้างที่เขาเอามาบําเรอใจต้องได้ต้องมีต้องเป็นอะไรเราเรียนรู้ลดละมาพอสมควรเราถึงไม่เปลืองแม้รายได้เราน้อยมันก็พอใช้เราจะซื้อข้าวกินก็ราคาตลาดนั่นแหละมันถังละเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเท่านั้นเราไม่ได้ทํานาเราก็ต้องซื้อข้าวตลาดกิน ราคาเท่ากันเศรษฐกิจตัวเดียวกันแต่เรารายได้น้อยซื้อข้าวราคาเดียวกันกับคนรายได้มาก <c oughs> ขณะเขารายได้มากกัเราเขาจะค่าตัวตายแต่เรารายได้น้อยเราก็ซื้อข้าวราคาเดียวกันกินกับเขาเหมือนเขาเนี่ยเราไม่ต้องค่าตัวตายมันคืออะไรเนี่ยมันคือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแล้วมันไม่ได้หมายความว่ารายได้เราไม่มากคือเศรษฐกิจเราไม่ดีไม่ใช่ รายได้เราน้อยซื้อข้าวราคาถังละเท่ากันแต่ราคาตลาดเหมือนกันคนมีรายได้มากกว่าเราเขาก็ซื้อราคาข้าวนี้กินแต่ขนาดนั้นนะรายได้มากกว่านั้นนะเขาธุรกิจของเขาเรื่องอะไรเรื่องของเขาเขาจะกล้าตัวตาย <c oughs> เขาบอกเศรษฐกิจก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็ตกเขาสู้รู้เรื่องทางเศรษฐกิจของสังคมประเทศไม่ได้ข่าตัวตายอีกคนหนึ่ง ซื้อข้าราคาเดียวกันกินรายได้น้อยกว่าอย่างพวกเราเอาชาวโซเป็นต้นแต่เราไม่คิดเราจะฆ่าตัวตายเบื่อานสนุกสบายกว่าเขาไม่ต้องกลุ่มต้องอะไรเหมือนเขาเพราะเรื่องเศรษฐกิจมันถึงไม่ได้หมายความถึงเงินแต่เขาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ปัญหาได้เรื่องเงินเขาจับเป้าไม่ตรงรัฐบาลก็ตาม นักรู้นักวิชาการอะไรก็ตามเนี๋ยนี้แก้เป้าไม่ตรงแก้เศรษฐกิจไปแก้แต่วัตถุธรรมไปแก้แต่เรื่องของเงินไอนจะบอกว่าเรื่องรู้เหมือนกันว่าคนจะต้องลดให้ประหยัดประโยชนมันประหยัดลงที่ไหนแล้วคนจะประหยัดลงก็ต้องลดละตัวเองออกไปจริงๆแต่กดข่มเอาเยอะเฉยมันไม่พอหรอกสักวันหนึ่งเมื่อถ้ามันมีเงินมาอีกทีมันก็ไประเรืองอย่างเก่ามันไม่ได้เรียนละลดเลิกไปจริงๆถ้าเรา ได้แล้วจึงรถละเริงได้แล้วจึงเราก็าไม่เวียนกลับไปเปลืองไปพ่านอีกอย่างพวกคุณนี่จะให้ไประเริงอย่างเก่าไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานไปกินไปใช้ไปเพลิดเพลิน <im it> อะไรก็เขาอย่างโลกเก่าๆล้วก็มันก็มีอยู่เรารู้แล้วเราไม่เอาขนาดบางคนจะเห็นได้เลยว่าจ้างเราอีกไปเรายังไม่ไปแล้วหมดรถแล้วเรารู้แล้วแล้วอัดสาธะหรือรถอร่อยมันแต่แต่ก่อนนี่มันเพลินมันอร่อยมันสุขจริงๆไปอย่างไปจริงไปประกวดประกันก็เข้าไปอะไรมันรู้สึกว่ามันมีรสชาติของชีวิต แต่เดี๋ยวนี้คุณปฏิบัติแล้วคุณไปตรวจสอบเลยมันไม่มีจริงๆนี่คือการละลางที่แท้จริงเป็นโลกุตระมันอ่านออกมันเห็นจริงเลยว่ารสชาติของอารมณ์ทางจิตนี่เองเนี่ย EQ เนี่ยเบทนานี่แหละเนี่ยไปอ่านรู้ทั้ EQ โลกุตระนี่อาตมา ว, วาวิเคราะห์วิจัยเหมาะสมกับสังคมขณะนี้เขาเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันกันก็อาตมาก็เอามาบ้างเอามาอธิบายเป็นแบบศา ส, สนาพุทธให้เห็นชัดๆ เป็นสิ่งพิสูจน์เป็นความจริงที่ได้พิสูจน์มาทุกวันนี้อาตมาทํางานมาถึงปีนี้แล้วก็ได้คนจริงอาตมามั่นใจว่าจริงส่วนที่ได้ยังมันมันไม่แน่ยังไม่มั่นคงยังไม่เที่ยงแท้คุณก็ทําต่อให้มันจนได้มั่นคงเที่ยงแท้ลดละจางคลายจนกระทั่งดับถึงขีดหนึ่งมันไม่ถึงดับมันไม่ถึงมันจางคลายมาขีดหนึ่งมันก็ไม่ฟื้นตัวมันมันจะรู้เลยทั้งปัญญาเห็นชัดและจิตของเราก็ เลือดเศษกิเลสในจิตเลือดเศษนิดๆหน่อยมันไม่มีน้ำหนักที่จะให้เราไปหยาบคายหรือไปทำมันจะมีละอายมันจะมีฮิริโอตตะปะมันจะละอายมันไม่อยากไปทำมันเรารู้แล้วมันไม่ดีดีอะไรหรอกความประเสริฐมันไม่ใช่เช่นนั้นลดละมาได้ต่างหากเป็นความประเสริฐเป็นอาริยะเราจะชัดเจนเราจะเข้าใจเห็นความจริงขณะคนอื่นก็มายั่วยุ่งว่าเราเออไม่เป็นอย่างเขาไม่มีอย่างเขา น้าอายเราถ้าไม่น่ามันไม่อายเราจะไม่อายแล้วเรากลับภาคภูมิใจไปซ้าไปคุณยังไม่เข้าใจสัจธรรมคุณตั้งหากหน้าอายคุณยังล้างไม่ออกเลยบอกคุณยังเคลิบเลยยังมอมเมามัวเมาตัวเองเลอะเทอะอยู่เลยเราจะไม่เก้อไม่เขินเราจะไม่กระดะสะเทินสะท้านอะไรเราจะชัดเจนว่าเขาไม่รู้ยกตัวอย่างง่ายๆเรามาแต่งตัวเหมือนอะไรเนี่ยหลายคน อเป็นเท่าแกนเนีย่ยอยู่ในบ้านก็บอกว่าคนใช้มันแต่งตัวดีกว่าเลยพอมาที่บ้านนั้นยังไม่รู้ใครเป็นเท่าแกนเนีย่ยใครเป็นคนใช้แต่งตัวนุ่มประทุงใส่เสื้อ อ, อย่างมณฑราเขาเนี่ยนะแก่มาถึงยังไม่รู้ใครเป็นเท่าแกนเนีย่ยใครเป็นคนใช้แต่งตัวเหมือนกันจะโฉม ก, กันด้วยซ้ำไปรองเท้าก็ไม่ใส่เราก็ไม่ไม่ได้สะเทินสะทานไม่ได้ขวยขวยเขินไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียตรงไหน มันมันเป็นความต่ํามันเป็นความต่ําเป็นความไม่มีเกียรติหรือเป็นอะไรอ่ะเขาว่ามันมันเหมือนคนแช่งเหมือนเหมือนอะไรเราไม่ได้เป็นคนมันจะเป็นคนใช้คือไม่เป็นคนใช้อะไรเนี่ยมันเอาพูดมาว่ากันมาลดเกียรติกันเราเต็มใจจะรับใช้ไม่เอาเงินเดือนรายได้สุดซ้ำไปเราก็ทําได้คนที่จะช่วยคนอื่นรับใช้คือคนช่วยงานคนอื่นคนรับใช้คนช่วยงานคนอื่นไม่ให็ไม่นจะเสียเกียรติตรงไหน เนี่ยตมาพยายามอธิบายอธิบายความจริงที่พวกนี้มาเพื่อให้พวกเราตรวจสอบมันจะออกนอกทางไหมเราปฏิบัติผิดไหมเพราะฉเะราได้สัมบูรณ์อินทรีย์มาโพชเชนมันตัญจุตาก็ซ้อนอยู่ในนั้นแหะที่จริงมันแค่ซ้อนอยู่ในสัมรณ์อินทรีย์นั่นแหละ พระเจตมาตัญญาตาก็คือให้พิจารณาเรื่องนี้มันลึกเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเครื่องใช้เครื่องกินเนี่ยเครื่องใช้ก็เหมือนกันติดในเครื่องใช้อย่างงี้ยังรักมันยังรู้สึกว่ามันมีค่ายังรู้สึกว่ามันจะต้องรักต้องห่วงอะไรเครื่องใช้ทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็อันอื่นทดแทนได้แล้วหรือบางทีต้องเลิกใช้ได้แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ของกินเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องกินเพราะฉะนั้นก็จะมาพิจารณาเรื่องกินเป็นเรื่องเด่นพระเจาเต็งมาตัญญาตาก็มาแปลแต่ว่าการกินที่จรมาทั้งอุปโโภภคคและบริ บริโภคกินอุปโภคใช้อุปโภคเนี่ยมันก็พูดถึงกันมันก็ไปกิเลนะ่ในอุปโภคเหมือนกันเครื่องเครื่องใช้เ ย, เยอะแยะเพราะเราลดมาได้ทั้งเครื่องใช้ลดมาได้ทั้งก า, ก, การกินไม่ติดการกินไม่ติดอย่างโกยอย่างรู้ไม่ติดอย่างรูปรถกลินเสียงสัมผัสดื้อลดมาได้เรื่อยๆนั่นแนหะมันก็ที่จริงมันก็คืออินทรียหกเหมือนกันอินทรีหกเหมือนกัน่น ถ้าเราลดละสำรวบอินทรีย์หกถูกต้องโพชเช น, นีมัตตัญญาตาก็เนื่องเกี่ยวกันแต่ปฏิบัติเพื่อที่จะจับวัตถุนั้นให้ชัดสำรวบอินทรีย์นั่นคือปฏิบัติที่อวัยวะสิ่งของทวารของตัวเองมีส่วนโภชนีมัตัญญาตานั้ น, นเน้นที่ข้างนอกของข้างนอกเป็นของกินของใช้ควรจะต้องพิจารณา ม, มันใหญ่ยังไงมันเป็นยังไงเราเป็นาธาตุมันตกเป็นาธาตุอะไรยังไง พิจารณาอ่านออกออกออกไปสุกาติยานโยคานั้นเป็นแนวลึกของการบอกจิตปัญญาโพชฌานชาติยาณโยคก็คือเป็นคนตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นจากโลกียะที่มันครอกงําเมาหลงตกคือเป็นทาตโลกียะอยู่วามนเมามัวเมาอยู่ตรงนั้นอะโมเมาหรือคนเมื่อคนเมา ตื่นก็หมายความว่ารู้สึกตัวตั้งตัวได้แข็งแรงจนกระทั่งรู้จักเป็นสำรวจอินทรีย์และวก็โพชเนมมันจะยุติาละออกมาได้เรื่อยๆก็แข็งแรงเลยตื่นผู้ตื่ น, ต, น, ต, นตื่นขึ้นมาละออกมาก็เป็นตื่นเต็มก็เรื่อยๆตื่นเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อํานาจของความเมาความวนที่จะต้องหมุนเวียนอยู่ในนั้นอีกแล้วไม่ได้อยู่ในโลกนั้นอีกแล้วตื่นหลุดพ้นออกมาชาคริยาเป็นผู้ตื่นจากความ ตกอำนาจตกอยู่ใต้อำนาจโลกิยะครอบงนำะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาเรื่อยๆอชาคริยาถ้าจะไปแปลว่าพูดตื่นอธิบายตั้งแต่นอนหลับแล้วก็ตื่นนอนอย่างนั้นมันไม่ต้องไปเรียนอะไรมากรอกก็มีสภาวะซับซอ้อนเหมือนกันให้มีสติในการนอนมีสติในการตื่นก็เป็นเบื้องต้นง่ายๆตื่นในขณะที่มีชีวิตประจําวัน ตื่นคือมีสติรู้ตัวเสมอในตากระทบรูปหูได้ยินเสียงต้องเป็นผูท้ทิชาขรยาเป็นคนตื่นที่จะต้องรู้ตัวมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอและมีภาคซ้อนกันไปวิจัยจนกว่าคุณจะหลุดออกมาจากโล ก, กีก็ตื่นสมบูรณ์เป็นชาขรยาสมบูรณ์เป็นผู้ที่ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาจากโลกที่เราวนอยู่ในนั้น นี่ก็ซ้อนกันปฏิบัติ3ามอย่างวันนี้ปฏิบัติ3ามข้อนี่ถ้าเข้าใจแล้วก็ซ้อนลึกลงไปอยู่ทันั้นเองเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกแล้วสิ่งที่ละก็ละได้ลดก็ลดได้โลกก็ทำเป็นอย่างไรนั้นก็ได้หลุดออกมาพระธมาก็พูดทบทวนซ้ําๆแต่คุณก็ไปเช็คจริงๆจนกระทั่งเราเกิดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่มีวัฒนธรรมมีระบบการดําเนินชีวิต อตาตมาพาดําเนินชีวิตประจวบถึงขั้นสาธารณโภคีซึ่งเหนือชั้นกว่าคอมมิวนิสต์เหนือชั้นกว่าสังคมนิยมเป็นระบบจะเรียกว่าระบบของการปกครองการบริหารระบบของมนุษยชาติก็ได้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยปกครองแบบคอมมิวนิสต์ปกครองแบบสังคมนิยมปกครองแบบเผด็จการ ตงนับปกครองแบบธรรมอาธิปไตยหรือแบบบุญนิยมก็เป็นอีกในบุญนิยมมีลึกซึ้งถึงขั้นในรูปแบบของเผด็จการหรือประชาธิปไตยเขาเอาเงินไปไว้กองกลางด้วยการเสียภาษีประชาธิปไตยแม้เผด็จการเขาก็ทําเหมือนกันเอาเงินของประชาชนเข้าไปเสียภาษีแล้วก็ไปรวมม้เป็นเงินกองกลาง เขาคนนี้ก็เหมือนกันแต่เขาบังคับมากกว่ากำหนดมาเลยมีพรรคเดียวกำหนดเลยประชากรประชากรไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอะไรทั้งนั้นคุณทำได้เท่าไรหกักมาเข้ากองกลางมากที่สุดมีบังคับแล้วเขาก็ไปจัดสรรกองกลางแล้วจะแจกจ่ายยังไงก็มีคณะกรรมการที่บริหารสกคมนิยมก็เหมือนกันเขาถูกบังคับโดยกฎโดยหลัก แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นนั้นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ไ ป, นน เ, ปเลยส่วนของเรานั้นคุณสมัครใจเข้ามาไม่ได้บังคับคุณอยากจะไปอยู่ในระบบประชาธิปไตยไปอยู่ในระบบสังคมนิยมไปอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์ไปอยู่ในระบบประดิษกฐก์ก็เชิญคุณแต่ระบบบุญนิยมนี้เต็มใจที่จะมาเสียสละข้อกองกลางยิ่งจะคล้ายกันไม่คล้ายตรงที่ว่าเหนือชั้นกว่าตรงที่ไม่แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเอาเข้าหมด สาธารณโภคีเนี่ยถึงขั้นเข้าหมดแต่เราก็มียืดหยุย่นไม่เข้าหมดส่วนตัวก็มีในของเราอย่างชาวโซคละนี้มีส่วนตัวก็มีอยู่บ้างคุณส่วนตัวก็ในระดับหนึ่งคุณก็ทําไปหรือแม้ที่สุดไม่ส่วนตัวแต่ก็ยังอยู่ในวงแวดวงที่ดูแลใกล้ชิดเช่นทํางานอยู่ส่วนนี้มีส่วนได้รายได้หักให้บ้างอะไรบ้างแบ่งไปบ้างอย่างบริษัทพลังบุญบริษัทแต่ชีวิตบริษัทฟ้าอาภัยนี่เป็นต้น เอาแล้วชมรรอนี่เข้าเลยเข้าหมดส่วนกลางหมดชมรมร้อเข้าส่วนกลางหมดหรือร้านค้าสาราค้าที่ปฐมศอกเหมือนกับพลังบุญขายของเหมือนกันแต่สาราค้าไม่ได้หักส่วนตัวเลยแดชีวิตหักส่วนตัวเงนตั้งให้ประมาณแต่ก็น้อยพลังบุญนี้ก็ยังไม่เคยขึ้นเงินเดือนตั้งแต่ตั้งมา14ปี15ปีย่างแล้วเงินเดือนตั้งไว้สองพันเดี๋ยวนี้ก็ยังสองพอยู่ แล้วพอดีทํางานหลายคนก็พัฒนาตนเองเซ็นรับ 2,000 ันแต่ไม่รับเงินเอาเข้ากองบุญหมดคุณก็ทําไปมันก็เป็น ส, สาธารณภูคีแล้วซาธารณพูคีซ้อนคุณเซ็นรับตามบริษัทต้องมีการเซ็นรับเซ็นจ่ายท่อ ง, งบัญชีส่งรัฐสรรพกรเขาคุณก็ทําแต่สองเข้ากองบุญหมดจริงๆบริษัทพลังบุญไม่ได้จ่ายเงินเดือน 2,000 ัหรอกจ่ายเงินเดือน 4,5 ่พัห้าไไงเนี่ย เท่ากับอัตราอย่างต่ำของแรงงานกระทรวงแรงงานกฎหมายแรงงานราคาอัตราเงินจะเงินขั้นต่ำเท่า ต, ตามบัญชีตามนิติไนต้องเงินเดือน 4,500 แต่เซ็นรับรับ 2,000 อีก 2,500 เข้ากองบุญสวัสดิการ บางคนสองพันก็ไม่รับเขาก็ลังหม ด, หมดถ้าเราจําเป็นจะต้องจ่ายก็เบิกจ่ายได้แต่แต่ละเดือนคุณเบิกจากสวัสดิการได้ไม่เกินสอ0 0ัใช่ส่วนตัวบางคนก็เบิกบางเดือนบางเดือนเบิกหมดสองพันเหมือนกันบางเดือนก็หมดไปพันหบางเดือนพันหนึ่งแล้วแต่ก็อย่างนี้ ม, นมันมันมวิธีการนมันวิธีการแล้วเราก็สมัครใจที่จะทําตามตัวเราเองเราสมัครใจค น, ไไนนคนที่ยังทําไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาคนที่ยังคนที่ทําได้จริงก็แข็งแรง ถือว่าแข็งแรงนะก็มีอย่างงี้มีซับซอ้อนมีซอ้อนมีรถหลัดกันไปส่วนกองกลางอย่างพวกในวัดในอะไรทำไม่รับเลยไม่มีอะไรไม่มีอัตราอะไรเลยอยู่กองกลางของส่วนกลางเลยเป็นสาธารณภคิสาธารณภคีโดยตรงเราก็ทำกันมาได้นะและก็รู้จักละจากรถกินกันใช้กันเป็นครอบครัวใหญ่ไม่เห็นจะต้องคิดค่าตัวตายเลยครอบครัวใหญ่เนี่ย หาครอบครัวคนเองจริงๆนนะถ้าเผื่อว่าไม่เป็นธุรกิจด้วยว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้มากจริงๆนนะมีลูกร้อยคนสมมติว่างันนะอยู่ในบ้านกูคิดดูสิเศรษฐกิจจากทุกวันนี้คุณจะเป็นยังไงลูกร้อยคนกูจเป็นยังไงอาตมาว่าของข้าตัวตายกันหมดแล้วยนะี้ ตามลูกลูกจะฆ่าตัวตายตามพ่อแม่สิอมันเป็นไปได้ยากนี่แหละยังคุกคกอยก่ข้างนอกนี่บางทมันจะรีบวิ่งกับม้าเปล่าอรือยจะสมสานอยู่ยังง้นอีกสู้น่าสู้ดีไม่ดีถูกลากดึงออกไปข้างนอกเลยไปฆ่าตัวตายข้างนอกก็ไม่รู้นะกำลังขยายงานกำลังขยายงานนาวเถอะ มากท่านก็ไม่ต้องไปอะไรมีบิดาบาตเ ท, ท่านั้นเองท่าตัวเราเองดีคนก็เลี้ยงไว้ได้แต่ระบบสง์ขยายมาเป็นระบบคราวาสไม่ได้เพราะสมัยโน้นมันยังคนมันยังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนเรามีสิทธิอย่างโน้อนอย่างนี้ไม่มีหรอกมันสมุนนาญาสิทธิราชระบบาทาตุมันเป็นระบบา ท, ทาตุาตจริงๆเลยทาตุเหมือก็สมบัติชิ้นหนึ่งก็จะขาดทิ้งอะไรก็ได้มีสิทธิ์ทุกอย่างเลย เพราะว่าในสมัยโนนมันจะมาทําสาธารณภคีมาทําบุญนิยมอย่างที่ทำนี่มันทําไม่ได้นะเพราะคนเหมือนกับตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีสิทธิอะไรอ่ฉันจะต้องได้ขาตัวเท่านี้ถ้าจะได้เงินเท่านี้ฉันมันไม่มีสิทธิมันไม่รู้เรื่องเป็นทาสคุณใช้ไปเลยเขาให้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็จะปล่อยให้อดตายก็ต้องตายมันมูมันหมาไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรสมัยโน้นนะเป็นคนเหมือนกันแท้แต่มันก็มันอยู่ในระบบทาสสมูรณาเยสิทธิราช มันยุคที่ยังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรทนีนี้ปีนี้หรือว่ามาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกคนมารู้จักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วสมบูรณาญาสิทธิราชจะมาปบริ ก, การก็ใครไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมนะระบบทาสก็ไม่เลือกแล้วใครจะมาเป็นทาสใครไม่ได้แล้วมันก็ซับซ้อนหาวิธีการที่จะเป็นทาสแบบสมัยใหม่ปนะเทไทย นี่เป็นทาตุเขาหรือเปล่าหลายคนก็พาดภูมิใจว่าตัวเป็นเอกราชจุในแท้จริงเป็นทาตุเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็เป็นธาตุทางวัตถธรรมเป็นธาตทางเศรษฐกิจเป็นทา ต, ตทางการศึกษาเป็นทาตทางอะไรก็แล้วแต่เป็นได้ในวิธีการชับซับซ้อนในวิธีการของสังคมนั่นะพวกเราได้มาถึงยุคนี้มาลองพิสูจน์เนี่ยหลักเกณฑ์ของพระุทธเจ้าธรรมะว่าอตรตม า, าเอาของจากพรุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ปฏิบัติเป็นสังคมได้เกิดสังคมบุญนิยม สังคมบุญนิยมต่างจากสังคมนิยมนะฟังให้ชัดลทัทธิสังคมนิยมก็มีนีล่ลัทธิสังคมบุญนิยมเติมคําว่าบุญคําเดียวเข้าไปลทัทิสังคมบุญนิยมจะก็มีได้นขนาดนี้อาตมาก็ว่าแม่มันมันน่าพิสูจน์ให้ดึกซึ้งพวกเรานี่ถ้าจะช่วยอาตมาภาคเพียนแข็งแรงขึ้นมาให้เป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่แน่นมากกว่านี้แล้วก็มีประสิทธิภาพทุกคนแข็งแรงทํางานมีมวล ประชากรมากขึ้นแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการมาทํางานทุกวันนเราขาดแรงงานงานเรามากมายวิธีการที่ทํางานฟรีเนี่ยมันมันวิเศษอย่างเงี้ยมันไม่ตกงานงานมีเหลือเฟือที่เราจะสร้างสรรค์เราจะทําได้ถ้าจะว่าจริงๆแล้วความไปรอดทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนในคนชาวอโศกเนี่ยมันไม่เดือดร้อนทุกชุมชนมันไปได้นอกจากมันจะกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นกลายเป็นคนจะเสียลงไป ขามีกินดินมีเดินแต่วันมีสองพี่น้องมีเส็จเศษมีเก็บแต่ตัวแล้วก็อาศัยแฝงอยู่ไปนั้ไม่ใช่ไปเจริญไปพัฒนาขึ้นก็ไม่ตำกอกเกรนหรอกนะแต่อยู่มาแค่นั้นนะ่ยไม่ตำกอกเกรนรักษาไว้อย่าให้ ม, าามันตำกอกเกรนอย่าให้ไปมีความผิดนะถึงกันไปละเมิดอะบายมุขขัดผิดในกฎหลักเกณฑ์กูมูวอะไรนอยู่งั้นนะ่ยแต่ไม่เอาทานไม่ช่วยไม่อะไรเดินลอยไปลอยมาวันวันหนึนน่งกินกินอยู่อยู่ไปรอดก็ามาักน้อยสำโดดพอสมควร แต่ว่าที่ก็ บ, บางน้นดอดสว่วนวก็รงใครจะจีอย่างไงจะกก็เฉยใครจะเขียอย่างไงจะกก็หลไปวางใจซะด้วยนะใครด่าก็ไม่ถือ <c oughs> ใครด่าแล้วแม้ยังกับคนไม่มีอัตมานะเลยนะไม่ถือดีไม่ถือตัวใครด่ายังด็ยิ้มเฉยทไมทนได้แต่ไม่พยายามพัฒนาเรียนรู้ให้ตัวเองอยากขี้เกียจไอขี้เกียจโรคนี้นี่เป็ น, เ ป, นเป็นอัตราที่ลึก ขี้เกียจเนี่ยมันเห็นแก่อยู่ว่างๆอยู่ไปงั้นนะวันๆผ่านวันไปเรื่อย ท, ทั้งๆติดตัวเองเนี่ยขยันขึ้นมาก็ยังขยันได้ฝีมือความสามารถก็มีคนก็เรียกร้องเ้วยในขาดแรงงานตรงนั้นตรงนี้ขาดก็ขาดไปที่อ่าดีไม่ดีก็หาเรื่องให้ตัวเองชจ็เจ็บตรงนี้เจ็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็ปวดจริงๆเป็นไซโคซิส ปวดจริงเจ็บจริงๆริ ง, ร ง, ร ง, รงหนักเข้าถ้ามันไม่ไมไมจริงไม่จังบาเดียวเพื่อนจะว่าเอาลึกๆมันไม่รู้ในะอนุสัยของคนเนี่ยมันทํางานอนุสัยของคนมันทํางานแล้วมันก็ทําให้เกิดไซคซิสเจ็บจริไปตรวจโรคเนี่ยพวกเราชาวโงนเนี่ยไปตรวจหมองงไม่เป็นโรคอะไรอยู่ถ้าไมมันปวดมันเจ็บมาอยู่เรื่อยชาวโซนนี่มีเยอะอัตมาธรรไหมาไม่รู้จะทํำยังไงอไม่รู้จะทํำยังไงไปหาหมอก็ไปหาเสียสตางเปล่า หมอเขก็ตรวจค่าตรวจไปเสียค่าตรวจไปเขาก็ให้อะไรมากินไปตามเรื่องดีไม่ดีก็ให้ยานอนหลับ <c oughs> ยา ก, กล่องให้กิน <c oughs> เพราะเพื่อ <c oughs> ที่จะได้สงบสติอารมณ์มั่งเขาไม่รู้จะให้อะไรมันไม่มีโรคอะไรหาสมุทฐานไม่เจอเนี่ยนิวโรซีสซร์สไซโคซิสเนี่ย <c oughs> ที่ฟังดีๆฟังที่อาตมาพูดี่จะเข้าใจเพราะพวกเราคนอย่างนี้แหละ สงวนสำนึกเธอมันเป็นบาปบาปหนานะักกินแรงคนบุญคนกินแรงคนบุญเนี่ยราคาบาปแพงกว่าอาัตามาเขพูดมามากมาแล้วข้าวก้อนหนึ่งให้หมากินได้บุญเท่านั้นถ้าเป็นบาปก็บาปเท่านั้นให้คนกินได้บุญกว่าคนทั่วไปให้คนกินได้บุญกว่าให้หมากินให้คนที่เป็นอริยะก็ได้บุญราคาแพงกว่าข้าวก้อนเท่ากันนั่นแหละ บาปก็บาปมากกว่ากันไปแย่งไปชิงออกมาแย่งข่าวพระอริยะก่อนนี่มาคุณไปแย่งหมามาคุณบาปเท่านั้นคุณแย่งคนธรรมดาคุณก็บาปมากกว่าหน่อยไปแย่งพระอริยะออกมาอีกบาปมากกว่าข้าวข้าวก้อนเท่ากันนั่นแหละคุณไปแย่งพระพุทธเจ้าแลยข้าวก้อนนี้เขาต่าหวานพุทธเจ้าแล้วคุณไปแย่งของพระพุทธเจ้ามาทีจะบาปอีกเท่าไหร่ทีนี้คิดดูข้าวข้าวก้อนเท่าเดิมนั่นแหละ ราคาบาปราคาบุญมันมีอย่างนี้ฟังแล้วของเข้าใจน ะ, ะเพราะเราอยู่ในแวดวงของคนบุญบาปบุญราคาก็ต่างกันอยู่ข้างนอกถ้าคุณไปเป็นไปแอบแฝงก็กินก็อะไรอยู่ข้างนอกนะบาปบุณก็เท่านั้นนะแต่มาแอบแฝงมากินแรงหมูแล้วผูกอยู่ในนี้บาปมันก็ต้องแพงกว่ามันไม่น่าเสียงนะ แล้วก็ไม่น่าที่จะไม่พัฒนาด้วยเพื่อนฝูงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมมีวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญจะปล่อยให้มันไปสุดเปล่าทําไมผ้าเพียนไปเถิดขยันมันเพียนไปเมื่อก็พักไม่เมื่อก็เพียนอาตมาถึงทราบซึ่งคาตรายัยมุขเจา้าที่บอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียร น, นี่แหละคนมีนิพพานอ๋อคนมันต้องเพียนอย่างนี้เองถ้ามันถึงเวลาควรพักก็ค่อยพักคนที่มีนิพพานแล้วจะมีจิตอย่างนั้นจริงๆ วันเวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยกายกรรมวจิกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอย่างนี้เป็นคําสอนมุขเจ้าอีกก็ฟังแล้วก็เข้าใจซ้อนกันชัดเนี่ยเสริมเสริมซ้อนกันให้มันผ่านไปทําไมละวันเวลากายกรรมวจิกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกแล้วเราควรอยู่เปล่าไหมผู้เปล่าทําไมเราเราทำอะไรเป็นเราทําอะไรได้แรงงานก็ขาดเรียกร้องโดยสนใจเอาปังอยู่ในหมู่ในกลุ่มมีไม่ได้ไกลได้เคยอะไรไม่ต้องมาวิ่งเต็นไปหางานก็ตกปลุกเดินทางไปอยู่ในหมู่นี่แหละเรามีพร้อมพักพร้อม ถ้าเราได้ช่วยรังสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยทมาว่าแรงงานที่จะได้เพิ่มจากสิ่งที่มันยังบกพร่องในแต่ละคนเท่าที่มวลประชากรที่มีของชาวอโศกนี้เราก็จะได้เพิ่มยิ่งต่อไปมวลทั้งนอกมาเพิ่มเข้าไปอีกเข้าไปอีกหรืออีกแต่ละคนนี่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะชานาญขึ้นเก่งขึ้นทําได้ดีขึ้นไปอีกเราก็จะเป็นคนสร้างสารรค์เป็นกลุ่มที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้อีกมากนายมหาสาร ผลที่จะเกิดเนี่ยคนข้างนอกเขาจะมองเอ้พวกนี้มันขยันมันทำอะไรอะไรมีทุกวนันนี้สินค้าหรือผลผลิตของพวกเราทำเนี่ยเ ข, เข้าล็อกเข้าร่องมีตอออเข้ามาอีกตรวจสอบผลผลิตทำอะไรอะไรให้มันดีขึ้นไปอีกอาตมาว่าระวางรากฐานขึ้นดีมากแล้วทำให้จริงเถอะเพราะคนเข้าใจอย่างเช้าทำงานตออก็เสียสละเวลา มาทําไม่ได้มีเงินดางเงินเดินไะด้ตวัวจถ้าถูกด่าด้วยพวกผลิตลก็ดา่าไม่เราทำเลยก็ดูสินในตรงให้กดอาตมาก็พยายามเข้มตรวจนะต้องตรวจจะทําเป็นเล่นไปส่งตรวจปฐมประสคสินค้าต้องระงับไปต่างหลายหลายตัวเพราะว่าโดนต่ อ, อแบนต้องปรับปรุงใหม่รายได้ก็ลดก็เอา้าแต่มันก็ย่งอยู่รอดทาไม่ได้ให้ได้ตามอุดมการณ์ที่เราวาง หักเกณ์ของเราพวกเราพวกนี้ให้ดีๆทุกวันนี้กระแสข้างนอกก็มองออยก็ชื่นชมเรานะไม่มีกลุ่มหมู่ในชุมชนไหนเลยที่จะมาเรื่องทำเหมือนอยก็ทำเราต่ออี่ก็เหมือนอยกันแหละแล้วเราทำอะไรที่เขาบอกโอ้โหก็ส่งเสริมเลยเขาต้งบอกว่าเขามีทุนให้ด้วยเพราะว่าทุนของรัฐอยถ้าเราทําดีทุนของรัฐที่เขาจะให้มาส่งเสริมเขาตัดไม่ให้เราได้เลยอยเขาเข้าใจเราแล้วเราก็อนจารยที่บอกว่าทําให้ดีเถอะจะทําให้ดีเถอะ มันยังไม่มีกลุ่มไหนในประเทศที่เขามาตั้งใจทําแบบนี้มีแต่หาทางเลี่ยงกลุ่มธุรกิจนั่นธุรกิจนี่ก็พยายามเลี่ยงพยายามไม่ให้อออยลจับได้พยายามอะไรมันไปอย่างนั้นซึ่งไม่มีเจตนาอย่างเราเราเจตนาบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เป็นของดีให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีไม่มีมลพิษไม่มีความสูญเสียไม่เกิดเชื้อโรคไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดีซึ่งเราฟังเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นความ เป็นความดีของมนุษย์ชาติของสังคมอย่างนี้อาตมาก็สบายใจภาคภูมิใจอยู่ว่าพวกเราเข้าใจและพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสร้างสรรค์กันขึ้นไปไม่ว่าการพานิดแบบบุญนิยมนี่ก็ทุกวันนี้เขาก็ทึ่งเขายังเข้าใจไม่ได้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะมาขายตับต้นทุงได้ยังไงเสื้ออาตมา ก, ก็อธิบายไปแล้วนะเขาก็น่าจะเข้าใจสมรรถนะของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีมากเรากินเราใช้เท่านี้ เรามีสมรรถนะพันหนึง่งค่าของสมรรถนะของเราพันหนึง่งแต่เรากินเราใช้เราไม่เอาเราเข้ากองกลางหมดสมรรถน า, าเรากินเราใช้อยู่แค่200ร้อหรืออยู800ดรอเนี่ยเราก็หักเป็นลดต้นทุนได้และทํางานไม่ใช่คนเดียวนี่มี3าคนหน้าคนแปดคนสิบคนเมื่อก็หักส่วนเกินพวกนี้เป็นลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้แบบ้ายต่ํากว่าทุนได้ออกไปสู่ตลาดสู่สังคมประเทศชาติมนุษยชาติก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากของกถูก ของก็ดีถ้าเราก็ได้เสียสละเราก็ได้เขาก็ได้เห็นไหมมันอยู่ด้วยกันดีประชาชนได้จากเราเขาได้ของดีก็ได้ราคาถูกเราก็ได้ที่เราได้เป็นประโยชน์เป็นคนมีคุณค่ามี ป, ประโยชน์ต่อสังคมต่อใครๆต่อใครซึ่งเราเข้าใจแล้วและเราก็มีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วเราไม่ต้องมาเอามาอีกไม่ต้องไปสะสมกอบโกย ถ้าเข้าใจถูกอาเรียะบุคคลเข้าใจชัดเจนแล้วจะเห็นได้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยมาเป็นคนที่จะต้องไม่กอบโขยไม่กัดตุนไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยมันคนเจริญเห็นไหมมันกลับกันแล้วท้งโลกจะต้องมีเป็นล้านหลายล้านหลายพันล้านหลายหมื่นล้านกินก็ไม่หมดไม่เคยหยุดไม่เคยลดลดอัตราค่านอนค่านี้บางได้ไหมก็คุณมีเยอะแล้วเน่ยลดมั่งให้ประโยชน์แก่คืนประโยชน์ให้แก่ประชาชนมั่งลดราคามั่ง แต่ไม่ไม่ได้ทั้งๆที่มากเกินแล้วในกินไปถึงทุกรุ่นเลนรุ่น ล, นล้นก็ยังไม่หมดเลยไม่ยอมลดในระบบทุนนิยมนี่ไม่ยอมลดแล้วก็ไม่ีใครไปว่าเขาไม่ได้เขาถือว่าสุจริทตทั้งๆที่อาตมาบอกว่าคิดอย่างทุนนิยมนี่มันทุดจริตมันไม่สุดจริตหรอกมันช่อชนเพราะการตั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าไทยก็กําหนดราคาสินค้าเองพยายามคุมราคาสินค้าตลาด มีสมาชิกมีอะไรอย่างเี้เป็นตน้นแม้แต่ข้าราชการก็ตั้งราคาเงินดาวเงินเดือนตั้งอัตรานันอัตรา น, นี่ก็ตัง้งถ้าไปมีในทุนมาครบครบด้วยอ่าเอาละข้าราชการก็ถ้ามีสิทธิ์มีทิศอะไรที่จะกำหนดราคาโน่นนี่มันมันก็ช่อชนอย่างเงี้ยมันซับซ้อนน่มันช่อชนนี้ซ้อนกันอย่างเงี้ย เขาเป็นคนตั้งมันไม่ใช่สุจริตถ้าจะเสียสละบ้างถ้าฉันไม่ได้เปรียบพอสมควรฉันไม่เอาเพราะแนวโน้มมันจะต้องมัดได้มันจะต้องให้ได้เปรียบเราเรียกมันว่ากําไรได้เปรียบไปแล้วก็เอาไปกาะไปโกยไปกองแล้วก็ไปเฟอซื้อ น, นั่นซื้อนี่มาประกวดประคั้นกันแข่งขันกั น, น, กนไปบำเรอตนเองฟุ่มเฟือยอะไรแล้วแต่นี่คือระบบของสังคมมนุษย์ มันเป็นมานานแล้วระบบทุนนิยมนี่อาตมาว่ามาถึงยุคนี้แล้วอาตมากล้าพูดได้ว่าอาตมามาเปิดศักราชใหม่มาเปิดระบบใหม่อันนี้อาตมาว่ายังไม่มีใครเปิดออกสักราชบุญนิยมแนวคิดเช่นนี้อาตมาถือเชื่อว่าไม่มีแนวไม่มีใครคิดทุนนิยมอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็มาขยายความให้นเรามันช่อชนอย่างไรมันไม่สุจริตอย่างไรคุณฟังหาว่าอาตมาหาเรื่องไหมเนี่ย ฟังดีๆคิดว่าจะมาหาเรื่องไหมไม่หาเรื่องไม่ได้หาเรื่องหรอกเป็นเรื่องจริงแนวคิดของเขานี่ขค่าราชการเนี่นะเงินเดือนนี่ตังหานะค่าวิชามีอีกิทธหาค่าเงินสวัสดิการตังหาค่าเงินต้อนรับค่าเบียร์เลี้ยงเบียร์ประชุมค่าอะไรอีกไม่รู้สารพัดนะมันเรียกแหลกไปหมดเลย แต่นั่นคือเงินรวมมาให้ค้าเข้ากระเป๋าอัตราส่วนคนที่ยิ่งชั้นสูงตำแหน่งสูงก็คูณไปตามลำดับชั้นล่างเลยไม่มีเงินหลายอย่างไม่มีชั้นสูงถึงจะมีเงินชั้นล่างนี่ไม่ได้เห็นไหมว่าพิธีการได้เปรียบพิธีคิดและใครไปคุณกำหนด ก็พวกมีอำนาจชั้นสูงน I mean ั่นแหละกำหนดเป็นหัวหน้าประชุมเป็นประธานที่ประชุมตั้งแต่นายกรัฐมนตรีข้าราชการเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอะไรนั่นแหละเป็นตัวกำหนดหรือบริษัทก็เหมือนกันตั้งอัตราเงินเดือนเงินได้เงินนั่นเงินนี่เงินอะไรก็ไม่รู้เขาก็ตั้งเข้าไปสิก็บริษัทของฉันจะจะเป็นเงินนั่เงินนี่เสร็จแล้วก็คือเงินเหล่านี้คือเงินไหลเข้ากระเป๋าของคนที่จะได้เปรียบมากที่สุดท้าที่จะมากได้เสร็จนั้นก็ลดหลั่มลงมารองลงมา มันก็ต้องยอมคนไม่มีอิทธิพลมากคนมีสิทธิ์มากมันก็ต้องยอมรับให้มันได้น้อยกว่าอนนี้นก็ต้องยอมรับยอมรับจนกระทั่งมาถึงระดับหนึ่งไม่ได้เลยพวกนี้จะทำไม่งานไม่ทำไล่ออกเอาคนมาใหม่มาหาได้ง่ายอิกคนระดับล่างหาง่ายคนก็ต้องยอมตัวเองมีประสิทธิภาพเท่านั้นก็ต้องยอมรับจำนวนแม้จะเป็นการช่อฉนถูกเอาเปรียบเอารัดถูกขูดรีดแรงงานอย่างไรก็ตาม ที่นี่มันเฟอร์นี่เรื่องใหม่ขนาดนี้นี่โอ้โหเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นว่ามันตลกชัดเจนมากไนกี้วูดมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แกสินค้าไนกี้ได้ร้อยล้านเหรียญร้อยล้านเหรียญ น, นี่สี่0คิดง่ายๆ่ายบาท 40,000 ันล้านวีอ400อ่อยพล้านบาทเป็นพรีเซนเตอร์สัญญาหปีนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้แกไนกี้ คำเอั์เซนสัญญาตอนนี้แหละ 4,000 ล้านบาท5ปีถ้านายไทยเกอร์ไม่ไปผิดสัญญาอะไรเลยมันก็นั่งรับเงินนี่ 4,000 ล้านแค่นี้มัน ก, ก็กินชั่วชีวิตแล้วคนน่ะสัญญาแค่5 5ปีอีกด้วยก็าทำไปทีก็จะใช้อะไรมากมายนักหนาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแอดจะตายอีกด้วยมานี่ กดีกระดากมหาวิไลเกษตรศาสตร์ให้ดุษฎีบัณฑิตแล้วมันไม่ไปรับที่มหาวิเลยนะมันรับมาเอามาให้มันจำาะแค่ถึงที่นะหลงอะไรหลงว่ามันเป็นเศษเสี่ยวของความเป็นไทยทั้งที่มันพูดไทยไม่ได้เลยและเขาเป็นสัญชาติอเมริกันร้อยเปอแล้วเขาไม่เคยเคยมีคนพูดเลยว่าอย่าพูดเขาเป็นเชื้อไทยเขาไม่ชอบเขายิงในความเป็นอเมริกัน เขาเคยมีคนเคยพูดถึงอย่างนั้นด้วยซ้ำไปแต่แต่เกินเขาไม่ได้เคยภาคภูมิเลยแต่ที่มาในเพราะอะไร 4,000 ล้านมันต้องเอาก็เสแสงมาพวกนี้ยอด p ีเทนเดอร์ยอดนักเสแสงก็เ้องมามามารับปริญญาแล้วขอพูดให้พูดให้สปีดให้15นาทีเท่านั้นไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิน้นมันใหญ่จริงๆต้งอง่อนขนาดนี้ จะภาคภูมิรู้กันโอ้โหได้ให้ดุษฎีบัณฑิตแกไทยก็วุ่นอะไรอธิมานึกไม่ออกว่ามันบ้ า, มาเมาโมอะไรกันถึงขนาดนั้นทําไมมันไร่ไร่เกียรติไร่ศักดิ์ศรีอะไรคนไทยอะไรกันงองอนอะไรกันขนาดนั้ น, มม น, นอธตมาเนืกไม่ออกโอโ้เป็นยอดเยี่ยมของคนที่ประยุกต์ได้ดุษฎีบัณฑิตในกเกษตรศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ ประยุกอะไรของเขาก็ใหม่ลโมเมตอธิบายไปเพื่อที่จะไปเป็นนักกีฬาที่เอาวิทยาศาสตร์ในการกินการบริหารการอะไรไปทำให้เป็นคนนี่มีสมิตธภาพทางด้านกีฬาเยิ่ยอดของโลกนี่นะอาตมาขอพยาก่อนหยว่ากีฬาเนี่ยจะทำลายโลกจิบหายวายป่วงในอนาคตในไม่ชานี้เพราะคนเมาและอวิชชาไม่รู้ความจริงหลงวงไงไม่ได้รับบริหารระดับมหาวิทยาลัย ยืนยันด้นะว่าไม่มีใครค้านเลยในการเสนอหุษสิบัณฑิตให้แก่ไทเกอร์วูดไม่มีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนั้นค้านเลยสักคนเดียวพวกนี้มันก็เลยได้คิดไทเกอร์วูดพรีเซนเตอร์คือคนใส่เสื้อผ้าที่เขาทําด้วยมือเนี่ยใส่ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรโฆษณาเท่านั้นได้รายได้คิดแล้วคนงานพวกที่เป็นคนงานได้รายได้วันละร้อบาทถึงวันละร้อบาท เขาก็เอามาคานวณพวกคนงานนี้ผลิตเสื้อนี้ขึ้นมาให้เขาใส่ในไทเกอร์วูดไปใส่ถ่ายรูปเท่านั้นแอดไปเท่านั้นได้รายได้เพื่อไปใส่เท่านั้นคิดแล้ววันหนึง่งค่าจ้างเขาใส่เสื้อบริษัท ต, ต้องจ่ายให้วันหนึง่งเท่ากับคนงานนี้ต้องทำงานถึง38ปีวันหนึ่งของไทเกอร์วูด ได้รายได้อัตรารายได้หารจาก4 0 0พล้านนี่ต่อวันไทยกูดเนี่ยได้วันละเท่ากับคนงานจะต้องทำงาน38ปีหมายความว่าคนงานไทยจะต้องทำงาน 26.5 ล้านวันหรือ เจ0 0 0สองพปีไม่ใช่พันด้วยไม่ไม่ใช่ร้อยด้วยอ่าอ่าแม่อัตมาจนลืมจนคนงานไทยจะต้องทำงานสองไม่ใช่สองยล้านวันอ่าหรือเจ0 0 0สองพันปีเพียงจะได้ค่าจ้างเท่ากับ ไทเกอร์วูดได้รับตลอดช่วงสัญญากับไนกี้หรือคนงานไทยจะต้องทำงาน1ม0 0 0ีพวันหรือ38ปีเพื่อที่จะได้เงินค่าจ้าง1วันที่ไทเกอร์วูดได้รับ1วันของไก้ทเกอร์วูดคนงานจะต้องทำถึง38ปีถ้าจะได้ถึง4 0 0พล้านต้องใช้เวลาถึง 7จ็ดหปี <c oughs> คิดดูสิความเหลื่อมล้ำความช่อชนนี่คือแนวคิดของทุนนิยมระบบบนนิยมจะไม่มีการไปโฆษณาแบบนั้นจะไม่มีค่าตัวคนที่จะไปพรีเซนเตอร์ถึงขนาดนั้นขนาดอาตมายังมีค่าตัวพรีเซนเตอร์แล้อาตมาพรีเซนเตอร์มาหลายอย่างแล้ว <c oughs> อาตมาเป็นพรีเซนเตอร์นะโฆษณาสินค้าของอาโศมมาหลายอย่างแล้ว บรรยากาตัวตะมาสักบาทเลยฟรีทั้งนั้นนะถ้าเราจะพรีเซนเตอร์เราก็รู้ว่าสิ่ ง, ส, งสิ่งนี้ดีและควรในการละโอกาสด้วยบางการละโอกาส ก, าก็จะโฆษณาพร่ำเพรื่อไม่เข้าเรื่องอะไรที่ควรจะโฆษณาก็ค่อยโฆษณาตะมาก็โฆษณาอะไรหลายอย่างกับพวกเราบอกพวกเราครจะอันนี้นี่นี่านพวกเราเขารู้อยู่แล้วนะซึ่งวิธีการเขาสังคมอย่างนี้เราก็รู้แต่ว่าไม่จะไป ทำอย่างวิธีโน้ตแล้วเอาคนเด่นคนดังเดี๋ยวนี้มันหลงอบายมุกหลงกีฬาและการละเล่นการแสดงเพราะฉนั้ดารารละครดารานังราคารนักร้องเพลงนักกีฬากำลังขึ้นหมอกําลังมืดโลกกาลังมืดหนักขึ้นไปหลงพวกแต่ก่อนนี้ยังไม่ทันไรระดับตรงนี้เนี่ยพวกแต่งกินลำกินพวกนักกีฬานี่พวกม่พมีค่ามีราคาไร้รอกเป็นพวกที่น่ารังเกียจ ด, ด้วยซ้ำไป แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นละขึ้นแล้วราคาแพงเงินแพงเด็กๆทุกวันนี้นี่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ทางด้านเราพวกเรานี่มันก็หลงระเริงใช่ไหมไปสอบเข้านิเทศาศาสตร์ไปเป็นดาราเป็นอะไรอะไรเดี๋ยวนี้เรื่อเขิมานิดนึงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีอยู่ยังขึ้นราคาราคายังดีอยู่นะเนี่ยจะต้องเข้าไปเป็นดาราเป็นอะไรไม่มีโอกาสมีช่องทางเข้าไปไปเดี๋ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปับอายุ14บสมีเงินล้านและมีเงินได้ส่วนตัวละ ได้รับเชิญไปนั่นเป็นนี่ขาตัวเท่านั้นเท่านี้แลแพงแลตายแลไปนักกีฬาตอนนี้ที่มานีิวิจารณ์อะไรพลดิษใช่ไหมอตอนนี้ก็เด็กก็หัดชกมวยตั้งแต่อายุ10บขวบครับชกกันตอนนี้ร น, นาดแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอาหาร ก, กินเราไม่ต้องเรียนเราต้องสือ้อชกกันไปกระสมองมอนึนไปตื้อไปมันเรียนไม่ได้หรอกเด็กก็ต้องหัดชกไข่เก่งอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ปุ๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้ล้าน เก่งอะไรต้นหน้าคนได้แล้วมันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันเก่งอะไรเดี๋ยวนี้เขาาไม่รบกันต้องไปชกหน้ากันแล้ว <Yeah. S 1> ไม่มีรบไม่มีคาแกลงก็ไม่มีต้องใช้วิธีชกหน้าชกตากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกถือว่าศิลปะศิลปะขี้หมาอะไรกันศิลปะป้องกันตัวป้องกันตัวเราก็มีวิธีป้องกันตัวชาวโซเราไม่ต้องไปหัดมวยป้องกันตัวตามวิธีของเรา แล้วเขาใกล้ชังดุมาดุอะไรแล้วแต่หรือว่าอดคนเกเรอะไรล้วก็หางมาตําคําสอนก็เคยมีเราก็ทําไปอยู่ในแวดวงของเราเราไม่เห็นจะต้องไปแตะต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขานี่แล้วก็อยู่ในแวดวงของเรา อ, อย่างน้อยที่สุดอย่างพวกเรานี่นะผู้หญิงเราก็ป้องกันตัวของพวกเราไม่ให้ไปถูกฆ่าค่มขืนเพราะพวกเราไม่ยั่วยวน เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคนสรีระแต่งตัวหน้าตาไม่ได้ไปย่อโยน อ, อ, อ, อย่างโลกเขาแล้วก็ห่างขอบเขตของเขามาแล้วอาตมาว่าคนอโศกเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะถูกไอ้พวกหืนกามมันปล้ำในซอกในซอยนั่นนั่นทีมือทีอะไรนี่มันเป็นวิบากของเราอย่างร้ายแรงเลยเพอะวหน้ามือถือขนาดแล้วนะอาตมาว่ามันไม่เจอคนแล้วมันก็เจอหมามันก็จะซัดกับหมาเข้าแหละคนพวกนี้จริงๆ พวกคุณมีบากแน่นอนเลยเพราะว่าเราไม่มีเส้นโคจร อ, อะไรจะไปเกี่ยวไปคล้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปยั่วยวนอะไรมันถ้าไปพวกไอ้คนที่หากินกลางคืนไอ้คนที่แต่งตัวยั่วยวนไปเที่ยวงานกลางคืนเปน็นโนเปนี่แล้วก็แต่งเงีนจริงๆไอ้พวกนี้มันก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องไอ้พวกนั้นน่าจะเป็นเหยื่อที่มันจะถูกปล้ำคนคืนค่าเพราะมันอยู่ในกระแสวงจรวงโคจรของมันมากกว่ากันอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่จะป้องกันตัวแล้วมันจะต้องไปป้องกันตัว จริงๆผู้หญิงจริงไปหัดมงหัดมวย ห, หัดอะไรมันจะปอกกรตัวกับผู้ชายมาันปล้ำได้จริงๆหรอใช่ไหมแต่ เ, เธอก็อ้างอ้างกันไป อ, อารักพูดไปมันก็คงจะยืดยาวนี่อาตมาหยิบเข้ามาอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าชีวิตของคนเนี่ยมันคิดได้ถูกต้องแล้วก็หาทางที่จะมาฝึกตนกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคุณเกิดกี่ชาติคูออย่างนี้ทั้งนั้นแหละชาติปัจจุบันนี้หรือยุคปัจจุบันนี้มันเห็นชัด เพราะมันเป็นเรื่องกิเลสมัวเมางมงายเยอะอย ะ, ยะที่จะยกตัวอย่างสมัยพระเจ้ายังไม่จัดจ้านอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็ชัดนะสมัยนี้ยกตัวอย่างชัดขนาดชัดนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยคนยังฟังไม่รู้ทำไมคิดประหลาดไอพวกนี้คิดพิเรนนะหาว่าเราคิดพิเรนซะอีกนะีอาตมาพูดกับพวกชาวบริกัร น, นี่บอกว่าต้องมาลดการ ม, มาลด เขาหัวล่อรถมาทําไมเรื่องธรรมชาติที่ไหนโลกมันเมแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็สมสู่ลรวมาทําไมเขาหัวล่อเลยขึ้นหน้าเห็นใจเขานะเขาคิดไม่ออกมาจ ะ, ะ ม, ะมจะะดดารถทําไมแล้วจะมารถได้ยังไงก็มาไม่ธรรมชาตินะ่ะธรรมชาตินะ่ะเขาว่างั้นแต่เขาไม่รู้ลึกซึ้งนะเขาไม่รู้ลึกซึ้งในอะไรก็แล้วแต่อัตมาก็คงขยายความไม่ไหวแล้ววันนี้นะสรุปแล้ว เราได้มาพิสูจน์ธรรมะของรพระพุทธเจ้าถึงขั้นเหนือธรรมชาติเหนือโลกกระทำอย่างชัดเจนเราจึงเกิดกลุ่มวงเกิดวัฒนธรรมเกิดระบบดีเท่านี้เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชาวโศกดีเท่านี้อาตมาว่าชาวโลกที่มีปัญญาพอสมควรเขามองออกแล้วเขาเปรียบเทียบแล้วระยะเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เราทํามาทั้งยี่สิปีเขาบอกเอ้ยพวกนี้มันคงไม่ทําเล่นนะ มันดีขึ้ น, นเรื่อยๆมันพัฒนาขึ้ น, นเรื่อยๆมีหลักเกณฑ์มีอะไรๆต่างๆนา น, นานมีระบบๆบบขึ้ น, นเรื่อยๆเขาก็เห็นเขาก็ติดตามแม้จะบอกคนที่มีปัญญาเขาตามศึกษามีพระอัตมาที่ว่าชั่วยะอัตมายังไม่ตายนีย่อัตมาที่จะมาย้ำกับพวกเราขอให้พวกเราเอาหน่อยตั้งใจพากเพียนหน่อยมันเป็นประโยชน์กับตัวคนเองนะยังไงกัสบสระบินทรีย์โพชเนมตันยุตาชาคิญานุโยคะให้มันมีพัฒนาการให้มีการก้าวหน้าให้มีการเจริญขึ้นน้อย อย่าลองแรงลองแรงเป็นข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษก็อยู่ในแวดวงฉันก็อโศกโศกแต่มันไม่กล่าวหน้าเลยมันหยุดอยู่มันติติตุจ่าท่านไม่สรรเสริญคนที่ติติอยู่กับที่แต่สรรเสริญคนวุฒิคนพัฒนาก้าวหน้าไม่ต้องป่วยการกล่าวไปใหญ่คนที่ปะหารนะคนที่เสื่อมไม่ต้องไปบอกว่าคนเสื่อมนี่ท่านไม่สรรเสริญหรอกแม้แต่คนอยู่กับที่แต่สรรเสริญคนวุฒิ คนพัฒนาก้าวหน้าไม่ต้องบวยการกล่าวไปใยญ่คนที่ปะหานะคนที่เสื่อมไม่ต้องไปบอกว่าคนเสื่อมนี่ท่านไม่สรรเสริญหรอกแม้แต่คนอยู่กับที่ทีฏิท่านก็ไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญคนที่พัฒนาเก้าหน้าวุติบุติสูตรนี้อาตมาก็เอามาย้ายืนยันกับพวกเราเตือนพวกเรามากๆเพราะในวาระเวลานี้ต้องตั้งตนอยู่บนความลําบากจริงๆแล้วอยู่ในหมู่นี้มันปล่อยตัวตามสบายยะถาสุขขังได้ แต่อกุศลธรรมเจริญยิ่ยงนี่คําสอนของพุทธเจ้าทั้งนั้นที่อาตมาหยิบมานี่ยยขยายความพวกเราฟังควรพัฒนาในช่วงระยะเวลาที่อาตมายัางไม่ตายเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันเข้มข้นให้มันแน่นให้มันเป็นหลักแกนที่ชัดเจนจนกระทั่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดยังไม่ถึงขั้นยอมรับกันเป็นเปอร์เซนต์มาก ยังมีคนดูถูกดูแคลนชาวโศกอยู่อีกเยอะยังเข้าใจว่ามันบาบาบอมมันไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดียังมีอีกเยอะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่พัฒนาพวกเราจกนกระทั่งมีความเข้มข้นมีความควบแน่นมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่มากพอเขาไม่จำนวนหรอกจริงขึ้นต่องเงื่อนไขเวลาดนะ้วยทนานไปอีกสิปี20่ปี3าปี แต่มันก็ต้องขึ้นถึงคุณภาพและปริมาณอีกด้วยเ <c oughs> งื่อนไขหลักเงื่อนไขหลักไม่ใช่อาศัยแต่เวลาเท่านั้นเงื่อนไขหลักอาศัยเวลาด้วยอาศัยคุณภาพและปริมาณด้วยที่ประชาชนเขาจะต้องยอมจนอนํานวนว่ดีแน่จริงแน่เ อ, ออย่างนี้คนเป็นได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าไปต้งเล่นสร้างภาพ คนมามากน้อยสันโดดไม่โลกไม่เห็นแก่ได้เขาก็รู้ว่า ด, ดีทเนี้ยเขามาเสียสละเท่า น, นั้นคนก็รู้ทั้งโลกแล้วว่าดีแลว้วทาไมไม่สร้างคุณค่าอันนี้ความเสียสละนี้ให้ได้คนจะเสียสละได้จริงๆก็คนมีสมรรถนะส่วนตัวและขยันมันเพียรสร้างมันก็เป็นมันก็เป็นแรงงานเป็นผลผลิตขึ้นมา ท, ทันทีพระอาตมาทีบอกว่าทรัพย์ของคนอยู่ที่สมรรถะสมรรถนะกับขยนัน คุณมีสมรรถนะมีความสามารถแต่คุณไม่ขยันอะไรคุณขี้เกียจลอยไปลอยมาอยู่เฉยๆคุณก็ไม่มีทรัพย์อะไรเกิดแต่ถ้าคุณขยันทําขึ้นมาสมรรถนะคุณมีมากคุณก็ได้ออกมาเลยมีผลผลิตมีค่าแรงงานมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดที่เป็นจะเป็นความรู้หรือเป็นเป็นนามธรรมาหรือเป็นวัตถุธรรมก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆอ่านั่นคือทรัพย์ถ้ายิ่งคุณเสียสละด้วยนี่คือคุณรวย คุณเป็นคนรวยแนวคิดมันปรัชยายมันต่างกันแล้วกับทุนนิยมทุนนิยมนั้นแลกเปลี่ยนเป็นเงินแลกเปลี่ยนเป็นรายได้แลกเปลี่ยนเอาอมากอบโกยไว้ถือว่าเป็นทรัพย์แนวคิดของบุญนิยมคุณยิ่งแลกเปลี่ยนมาค่ามันยิ่งหมดค่ามันพันหนึ่งคุณแลกมาพันหนึ่งคุณไม่มีค่าแล้วเจ้าแล้วยิ่งคุณไปตั้งราคาแบบทุนนิยมให้มันเกินทุนแล้วเรียกวันกาไรคุณยิง่ง เป็นคนไร้ค่าเป็นคนไปขูดรีดคนอื่นเข้ามาอยู่ในซามันเป็นหนี้ด้วยเห็นมหมแนวคิดมันต่างกันเราไม่ได้สละอะไรเลยแล้วามาคุยเพราะฉะั้นในระบบทุนนิยมไม่มีใครได้เสียสละเลยจะได้เสียสละก็คือคนงานเบื้องล่างที่เขาถูกขูดรีดเอาหยาดเงื่อแรงงานไปเกินกว่าควรคนนั้นได้ยอมนั่นคนนั้นได้เสียสละแต่ได้เสียสละอย่างเสียรู้ อย่างถูกเขาขู่รีดอย่างจำนวนอย่างไม่เต็มใจจะเสียสละเลยเพราะใจมันไม่ยอมแต่จำนวนอยู่ในสังคมเท่านั้นเองมันเป็นระบบของสังคมระบบทุนนิยมเพราะคนที่อยู่ในระดับล่างนั่นแหละถ้าจะได้เสียสละคนเหล่านั้นแหละเสียสละเลี้ยงโลกไว้ขอยืนยันคนํานี้คนเหล่านั้นเป็นคนเป็นนักสร้างนักทําเป็นคนที่จะทําให้แก่พวกที่นั่งคิดยิ่งตอกมีเครือข่ายมีระบบมีอะไรกันนั่งเอา ที่เอากําไรแบบทุนนิยมกรอบโคยไปกรอบโกยไปคนเหล่านี้ต่างหาเป็นคนกินแรงพวกนี้พวกนี้แหละพวกเสียสละถ้าจะมีบุญคือคนพวกนี้มีบุญคนพวกนี้มีแต่บาปเห็นบาปเป็นบุญชั้นไหมคนเหล่านี้บาปคนนี้พวกนี้ไม่ได้หรอกโดยสัจจะลองมองดีๆพระเจ้าพระเจ้าถี่มาเต็มใจเสียสละตจำเต็มใจที่จะท่านมีถ้าราคาค่าความรู้ของพระพุทธเจ้านะท่านเทศกันหนึ่งเนี่ยควรจะค่าเทศเท่าไหร่ แพงกับคนที่เลคเชอร์คนที่บอกว่ายอดเยี่ยมเป็นปราบเลคเชอร์ค่าเลคเชอร์ตามระบบทุนนิยมนี่ไหมเ mm hmm. ยี่ยมอเมริกาเนี่ยเขาชัดเจนเลยคาเลคเชอร์เนี่ยแพงนะคนที่ถือว่าเป็นคนที่ยอดความคิดอันนี้ราคาแพง mm hmm. คนไทยเดี๋ยวนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นม า, มามากๆแล้วไปเลคเชอร์ทีนึงก็ได้หลายตังเอาละราคาสูงสุดเท่าไหร่อัตมาคูให้เป็นพันเท่าของพระพุทธเจ้าท่านเลคเชอร์หนึ่งชั่วโมงคุณให้คนที่เยี่ยมยอดของประเทศนี่เท่าไหร่คุณบวกไปให้พระพุทธเจ้า พันเท่าใช่ไหมค่ะแต่ถ้าไม่เอาสักดุ๊ดงแดงก็ไม่เอาสักบาทถ้าเสียสระหมดแล้วต้ขของขออยู่กินวันละมือ้อเสื้อผ้าก็หนาแพรกเครื่องใช้ก็แคนั้นคนอย่างนี้ต่างหากเรามีคนมีค่าคนอย่างนี้ต่างหากเรามีเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมถ้าเข้ามาสอในให้สมณะให้ภิกษุให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นอาริยะโสดาสกิทานะครับมาเป็นอย่างนี้อีก พวกเราเนี่ยมีรูปรอยได้เป็นอย่างนี้อีกมาเห็นมามาทํางานฟรีมาช่วยสร้างสรรค์แล้วก็โตชีวิตก็อยู่รอดก็ไม่ได้อับเฉาอะไรนี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็อยู่กินกับสาธารณโภคีมีชีวิตสร้างสรรค์ไปขยันมันเพียนไปบุญก็เป็นบุญของเราได้ช่วยสังคมพิเศชาติก็ได้ช่วยไปในที ท, ทันที ท, ทันทีเรามีรูปแบบแค่นี้เราก็เห็นพอได้ถ้ารูปแบบของเรายิ่งมีปริมาณมีคุณภาพ ชัดเจนกว่านี้มีคุณาภาพคุณค่ามากกว่านี้มันยิ่งชัดชัดกว่านี้อาตมาถึงบอกว่าอยากจะให้มันทันเวลาก่อนที่อาตมาจะตายเพราะอาศัยเงินไชเวลาด้วยคนข้างนอกเขาจะมั่นใจก็ที่เวลาด้วยอย่างพวกเราเนี่ยหลายผู้หลายคนแล้วก็มั่นใจแล้วละ่ะไม่มั่นก็ไม่รู้จะไม่มั่นยังไงมันจะตายแล้วมันแก่แล้วสมองก็คิดไปอื่นไม่ไหวแล้วออ <c oughs> <c oughs> เพราะอันอื่นจะมาล้มล้างก็ยังไม่เห็นใช่ไหมศัจจะที่ฟังอาตมามาเขาสมควรนะมันก็ยังไม่เห็นอะไรอื่นมาล้มล้างได้อันนี้ก็จํานวนอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณยังหนุ่มยังสาวคนต่างหลายคนสิ้นวิจิกิจฉาอาตมาไม่ใช่ทาทายไม่จชว่าจะไปตีรันฟันแพง ไ, ไปไปจะเทะอวดเองอวดเก่งอวด โ, โ, โ, โ, โ, โ, โก้ไรคุณไปคิดถึงปรัชญาของการดำเนินชีวิตในโลกนี้มีปรัชญาอะไรก็สื่อสารทุกวันนี้มันไร้พรมแดนคุณตามหาศึกษาได้หมดเลย จะเอาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันมีอะไรดีๆมันก็เอามัยัดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วก็ค้า ข, า, ขายกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตในอีกต่างหากตามระบบทุนนิยมคุณไปควนหาศึกษามาเถอะเร็วที่สุดมันก็อนะินเทอร์เน็ตนั่นแล้มันก็ไปกว้างไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่เหลือแล้วเขาก็เอาเข้าไปอาโศกนี่อาตมาตดึงๆเอาไว้ไม่อยากให้เข้าไปอินเทอร์เน็ตนะเดนี้ก็จำนวนแล้วก็ยอมให้เอาเข้าอินเทอร์เน็ตล้ แต่เราก็ไม่ได้คิดไปค้าไปขายอะไรนะใครเอาไปแล้วก็ยินดีด้วยซ้า <c oughs> เราไม่ได้คิดค้าคิดขายเอาไปเลยเพราะส่งนีย้ยังเอาไปศึกษาและซักไซน์ไล่เลียงตอบแต่ไล่เลียงสงสัยข้องใจมายินดีตอบพ <c oughs> อกอินเทอร์เน็ตเราจะต้องทำหน้าที่หน่อยต่อไปเนี่ยโดยไม่ต้องไปคิดเงินคิดทองยินดีตอบพิมให้ข้อมูลละเอียดละออเข้าไปอีกให้คุณได้บรรลุยิง่งเจริญเร็วๆยิ่งดี เห็นไหมว่ามันไ ม, ไม่ไม่เป็นอะไรในโลกเลยมันไม่เป็นตัวเสียในโลกเลยมแต่ตัวอยากให้คุณได้ทําไปเถอะทําฟรีด้วยจะได้อย่างนี้ขึ้นมาโลกมันจะได้เย็นมันจะได้สุขมันได้จะสงบมันได้จะได้อบอุ่นจะอยาอยู่ดีกินดีกันอาตมาเห็นว่าทฤษฎีหรือว่าหลักเกณฑ์หรือปรัชญาของพระเจ้านี่มันมันวิเศษจริงๆได้เท่านี้เรายังเห็นวิเศษแล้วใครไม่เห็นวิเศษก็แล้วแต่เถอะอาตมาเห็นว่าวิเศษเป็นไปได้ยากจริงๆ แต่มันวิเศษจริงๆเลิศสุดยอดตอนนี้เราอาตมาเปิดฉากเข้าไปถึงาการเมืองการเมืองนี่ก็ขอพูดช่วงสุดท้ายนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกบ้างเราจะทํางานการเมืองนี้เราจะไม่ทําอย่างเขาอย่างเขายังเป็นธุรกิจการเมืองเป็นเรื่องเลีวไหลมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอะไ ร, รถ้าประชาธิปไตยมันต้องมีธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยซ่อนอยู่ในนั้น คนที่จะไปทําก็จะต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองได้คนจะไปรับหน้าที่นะไปรับหน้าที่อาสาต่อประชากรผมจะมารับใช้ประชาชนอยงนี้ไปสมัครสอสสวสอจอสอท อ, อะไรก็ตามใจเถอะจะต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองได้อย่างคุ้มตัวจริงๆไม่ต้องเป็นภาระทางตัวเองเท่าไหร่อ่ายิ่งของระบบเรานี่นะอีกหน่อยต่อไปเพราะนั้นเป็นอนาคาริกะ มาชาวโศกพวกนี้นี่กินใช้ส่วนกลางใช่ ไ, ไหมไปทํางานในระดับประเทศการเมืองไปรับทำงานในระดับประเทศจะไปช่วยคนข้างนอกเยอะมากแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะค่อยๆทาในกลุ่มหมู่ชาวประชากรที่เราจะเลือกกลุ่มหมูค่อยๆทางานกับประชากรแต่ละกลุ่มไปก่อนช่วยเข้าไปเรอะนีเทียนว่ามันเตะอุ้ ม, ออมคอมเรายังไม่อาคาพวาัตต่เอาสาแม่ไปเป็นนายกไปเป็นอะไรยังอย่างอย่างอย่างอย่างอย่าไม่ได้หรอกไม่พอแรงงานไม่พอคนไม่พอ ความยอมรับก็ยังไม่พอความเชื่อถือยังไม่พอทำเพื่อพิสูจน์ไปก่อนขยายไปตามมวลหมู่เป็นกลุ่มเป็นในระดับหมู่บ้านในระดับกลุ่มชุมชนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆให้เป็นรูปร่างว่าการทำงานการเมืองนั้นคือการไปช่วยประชาชนการเมืองนี้ประชาธิปไตยนี้เป็นของประชาชนโดยประชาชนพวกเราทำกันเองเพื่อประชาชนไม่ใช่ไปเพื่อกระเป๋าของผู้กระทาผู้ไปกระทานั้นมาเสียสละ มาเสียสละเพราะฉะั mm ้น hmm> ผู้จะไปรับหน้าที there, hot, ่รับผิดชอบในในในพวกชาวกระทรวงเราก็ตามเพราะฉะนั้นผูดนั้นจะต้องอัตมาถึงให้เอาคนในให้เอาคนที่อยู่วัดให้เอาคนที่เป็นอนาคาริกะไม่เอาละบ้านจองเดินชานเงินทองรับสินมามากินของส่วนกลางกินน้อยใช้น้อย กินมื้อเดียวได้สบายเสื้อผ้านาแพรก็ม่ติดไม่ยึดบานจองรุนแรงจะนอนที่ไหนพักที่ไหนก็สบายแล้วเป็นคนเลี้ยงง่ายมนุ ง, ง่ายมีคุณภาพของพัฒนาการามนุษย์พัฒนาเจ9ดเก้าเระดับนี้มีคุณภาพงัิงจริงเมื่อคนเหล่านี้จะไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีภาระาไม่ต้องมีภาระแม้แต่ภาระยาที่ปริวัติต่างก็ปหายะพวกคัดขันทา ก็ประหารไม่ติดยึดในเรื่องทรัพย์สินคารเงินทองอยู่เงี้ยกินน้อยใช้น้อยอยู่กับหมูหมูลเลี้ยงไว้คนที่มีคุณภาพพอมีประสิทธิภาพที่จะไปทํางานกับประชาชนกว้างขึ้นเนี่ยจะมาเปิดเปิดกรอบของสังคมมองเราขึ้นไปสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นเป็นอะไร ห, หาว่าเราจะไปออาอำนาจอบาดใจอะไรเราไม่เอาไปออาอำนาเราจะไม่เอาเลยอํานาจอย่างนั้นไม่อยากได้ด้วยอํานาจอย่างที่การเมืองที่มีอยู่เป็นอยู่เนี้ยเราไม่อยากได้ด้วยเพราะอํานาจมันเป็นอํานาจ ที่สร้างขึ้นมาเป็นอำนาจของโลกีต่เป็นรัฐมนตรีมีอำนาจปลดมีอำนาจที่จะมีะตีมีรายกับข้าราชการประจำหรือแม้ประชาชนก็จะต้องมางอมางอนอะไรไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่นั้ไม่เอาตีมีรายกับข้าราชการประจำหรือแม้ประชาชนก็จะต้องมางอมางอนอะไรไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่นั้ไม่เอา ให้เข้ามาเคารพนับถือแล้วก็ไม่ได้ไปงอ ง, งอนไม่ได้ไปช้าสร้างวิธีการให้เข า, าเคารพนับถือเขาเคารพนับถือเพราะเราเซสหลังเพราะเรามีคุณภาพเพราะเรามีสาสามารถสร้างสรรค์ช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ช่วยเหลือว่าแม่เดือดร้อนแล้วก็ควกักกระเป๋าให้เงินไปเป็นสสแล้วก็บอกว่าเงินเดินเดือนไม่พอไม่ใช่วิธีนั้นนี่ไม่มีเงินเดินด้วยแล้วก็ไม่ค ว, ควกักกระเป๋าอย่างนี้หรอก จะช่วยสั่งสอนเขาให้เลิกละลดลงมามาเป็นอา די ยาบุคคลพึ่งตนเองได้เลี้ยงตนเองรอดแล้วก็มีภาระเลี้ยงครอบครัวก็ครอบครัวดีจนกระทั่งปลดปลงภาระอย่าไปต่อภาระหมดภาระแล้วก็เกิอคุณมิตรมวลสหายประชากรคนอื่นต่อไปมันก็จะเป็นความซับซ้อนที่จะเกิดคุณคนจะมีประโยชน์ต่อสังคมขึ้นเรื่อยๆเพราะคนของพวกเราเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสังคมไปพิสูจน์คนจะทํางานการเมืองจะไปพิสูจน์กับสังคมไปเรื่อย ๆ, ๆเอาไปรับใช้ประชาชน เาจะช่วยเขาแล้วไม่ใช่ช่วยเขาเอาเงินไปให้เขาช่วยเขาที่จะให้เขาพึ่งตนเองได้อย่างไรมีเศรษฐกิจอย่างไรมีการดําเนินชีวิตอย่างไรควรเลิอกอะไรควรละอะไรแล้วก็ควรจะมาละรังสรรค์แม้แต่ในครอบครัวแม้แต่ในสังคมของเขาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจับกลุ่มกันมาหรือแต่ส่วนระบุคคลช่วยกันได้<ม>ก็ช่วยกันไปเป็นคนๆช่วยกันได้เป็นกลุ่มกลุมช่วยกันได้เป็นครอบครัวจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหมู่บ้านช่วยหมู่บ้าน เพราะชั้นหมู่บ้านเราเราจะทํากับหมู่บ้านเราก่อนหมู่บ้านราชธานีอโศหมู่บ้านศรีสะสงซึ่งเป็นหมู่บ้านจดทะเบียนแล้วก็จะทําให้มันเป็นตัวอย่างกันไปเลยเนี่ยเกื้อกูลกันช่วยกันอย่างเงี้ยมีการเมืองอย่างนี้รับผิดชอบอย่างนี้ <c oughs> แล้วยิ่งกฎหมายใหม่บอกว่าประชากรห 0,000 ่นคนลงคะนลงเซ็นชื่อรวมหัวกัน 50,000 คนมีอํานาจเสนอขึ้นไปตั้งกฎหมาย ขานกฎหมายล้มนายกปลดนายกปลดรัฐมนตรีปลดอะไรได้นี่เป็นอำนาจประชาชนไม่ใช่อำนาจเฉพาะผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิ์มีเสียงแต่เฉพาะสสเท่านั้นสสคือตัวแทนประชาชนแล้วสสก็ไปทําอย่างนั้นไม่เกี่ยวมไม่เคยมานับประชาชนประชาชนก่อมอ็อบก่ะอะไรไปโหวตสสยังไม่เอาฐานเลย ไม่ใช่อย่างนั้นที่ทํากันอย่างนั้นมันเล่นดิเกหลวมกันเหลือเกินแต่ของเราเนี่เอาประชาชนอีจริงไม่มีสสในสภาแต่เราบุนให้แล้วถ้ามีสิทธิเสียงห้า0 0ื่นเสียงสามารถมีอํานาจที่จะต่อรองอะไรต่ อ, อะไรกับระบบได้นี่แหละคือเสียงประชาชนห้าหมื่นคนเอาละชาวอโศกจะต้องมีประชากรไม่ใช่ป็นประชากรมีสมาชิกถึงห้า 0,000 ืนคนเตรียมไว้ ที่จะทํางานในอนาคตยิ่งมีแสนคนก็ยิ่งสบายขึ้นเมื่อต้องการคะแนนเสียงนี้ไปเพื่อที่จะยื่นอะไรสักทีนเพื่อให้แต่แก่ประชาชนไม่ใช่ไปต่อรองเพื่อที่จะเนี่ยบริษัทฉันจะยแย่ฉันก็เลยเอาหน้าประชาชนบริษัทนี้บริษัทอะไรกันมันมอบกันมาเรื่อยๆอะไรต่างๆนั่นก็ต่อรองกันไปต่อรองกันในทุนต่อรองกันรัฐเพื่อที่ตัวเขาจะได้เปรียบเราไม่ใช่ เพราะอะไรเพราะเราเพึ่งตนเองของเราแล้วในจํานวนของพวกเราห้าหมื่นเสียงนี้ไม่ได้ต่อรองมาเพื่อตัวเองจะ ต, ต่อรองเพื่อประชาชนรอบอื่นที่จะช่วยกันนี่คือการเมืองที่เราจะทําเพราะอะไรเพราะห้า0 0ื่นคนของพวกเรานี้ถ้าเป็นสมาชิกแท้ๆอโศกนะคน อ, องศกจริงต้องเป็นคนพึ่งตนเองได้แล้วนี่แต่จะทํางานเพื่อผู้อื่นขึ้นไปนั่นคือการเมืองการทํางานเพื่อผู้อื่นคือการเมืองงานเมืองไม่ใช่งานบ้าน ไม่ใช่งานกูงานกูเน่ยเพื่อกูงานบ้านก็คือเพื่อครอบครัวงานเมืองก็คือไปช่วยคนขยายแถวขยายความช่วยเหลือกเกอูอกไปถึงประชาชนในระดับเมืองในระดับเมืองก็คือตั้งแต่เมืองขนาดระดับตำบลระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเพื่อเมืองระดับประเทศคุณสามารถเท่าไหร่ มีประสิทธิภาพเท่าไร่คุณก็ไปทำอยากาะมาอธิบายฟังคร่าวๆแล้วเราจะต้องเป็นคนที่จะต้องเข้าใจระบบอย่างนี้ย้ำอีกทีว่าไปทํางานการเมืองยิ่งไปรับตําแหน่งนะจะไปเสียสละไม่ใช่ไปนั่งทำมาเพื่อตัวเองก่อนอื่นเลยไม่ใช่เพื่อครอบครัวตัวเองถ้าคุณไม่เพื่อตัวเองไม่เพื่อครอบครัวไม่เพื่อญาติโกโยติกาของตัวเองทําเพื่อมวลมนุษย์เอาละอาจจะกว้างขนแค่มิตรสหาย แค่มวลมูลชาวบ้านหมู่บ้านแค่อำเภอแค่จังหวัดมันก็กวา้างขึ้นไปตามลาดับถ้ายิง่งเพื่อทั้งประเทศ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองสมบูรณ์แบบแล้วคุณไม่ต้องห่วงเพราะแม้แต่จะต้องไปออกเสียงไปต่อรองอะไรมาเพื่อหมู่บ้านของเราอย่าพึ่งเลยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีหรอกหมู่บ้านของเราจะ ลำบากลำบนหน่อยก็เอาเถอะทนไปก่อนไม่ต้องไปต่อร้องไม่ต้องไปเรียกร้องช่วยตัวเองจนเขามาเห็นว่าเขาอยากมาช่วยให้เขามาช่วยเองถ้าเขาไม่มาช่วยเราพึ่งตัวเองให้ได้จนพึ่งตนเองแล้วให้คนอื่นมาพึ่งได้หรือไปช่วยคนอื่นได้อย่างนี้คือวิธีการของการเมืองที่เราจะทําพอเขา้าใจคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทําเพื่อความอยู่รอดของสังคมไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดของตัวกู้ ระบบเอาเปรียบระบบเห็นแก่ตัวไม่ใช่เลยนี่คือปัจชาธิปไตยที่เป็นธรรมมาธิปไตยอัตมาว่าอัตมาจะสอนรัฐศาสตร์อย่างเนี้ยรัฐศาสตร์การเมืองอย่างเนี้ไม่เฮออยหรอกเขาไม่เฮย อ, อย่างนั้นหรอกเพราะตามามีแต่ขัดกลาบเขาเขไม่มาให้หรอกไม่เฮยหรอกเขาไม่เฮยอย่างนั้นหรอกเพราะตามามีแต่ขัดกลาบเขาแล้วมันพูดมืนขมเขา นึกดูซิว่าใครจะมีดวงตาดีๆมามองเห็นว่าเอออาตมาในคิดดีนะมันทำเพื่อประชาชนปรก่อนหน้าเนี่ยอย่างงี้ที่มันควรจะให้ชูโชดให้โด่งดังไม่เรามีแต่จะเหยียบให้เน่าแต่พูดนี่ไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจไม่ได้ทําประชดพูดประชดอะไรนะพูดให้ปัะชัดๆต่านั้นเองเขายังไม่เห็นง่ายๆหรอกแต่อาตมาไม่น้อยใจหรอกอาตมาก็ทํางานไปอาตมาคิดว่าชาตินี้เกิดมาทํางานเห็นผลอาตมาทํางานเนียิ่งพิสูจน์อาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ พิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้ายิ่งพิสูจน์มาทุกวันยิ่งอ้อาตมายังไม่ท้อแทะนักเหน่อยนะเด็ดเหนื่อยก็พยายามอย่ากให้ตัวเองมันไปรับวิบากเกินไปนักถ้าอาตมาติดคุกก็จะเสียเวลาเข้าไปอยู่ในคุกก็ต้องถูกบังคับให้อาตมาไปตักจะซ่วมตักขี้อะไรอยู่ในนู่นผู้คุมมันก็ต้องบังคับต้องอะาตมาก็ไปเสียเวลาทํางานอะไรอยู่พวกนั้นน่ะมันก็ไม่เข้าท่า เอาเวลามาทํางานกับพวกเราทําอะไรนี่เกิดประโยชน์กว่าใช่ไหม mm hmm. อาตมาก็ว่าเออเราอย่าพึ่งเป็นเสี่ยงหรือว่าไปทําอะไรมันรุนแรงจนกระทั่งเขาจับเข้าคุกไปหรือว่าไปให้เสียแรงงานเสียเวลาไปในทางโน้นมันไม่เขาทีพวกคุณก็คงไม่อยากให้ไปด้เฉพาช่วยกันก็ดูมีพลังต่อรองมีพลังอะไรเพื่จะเห็นอันนี้อยู่ก็พอไปได้ถ้าอาตมาอตมาตนาเคยพูดถ้าอาตมาจะทําให้มันหยาบหรือให้มันแรงจนกระทั่งเขา อย่าว่าจะจับขรอบครัวแล้วเขาฆ่าอตาตมาทิ้งเดี๋ยวนี้เขาอาตมา ก, ก็ทําได้พูดยั่วกิเลสเขาพูดว่าอะไรเขาบางบ้าพอสมควร <c oughs> เขามีอํานาจด้วยก็จัดการอาตมา ก, ก็ตายไม่ไม่เกินอาตมาเคยบอกด้วยว่าอาตมาจะทําให้ตัวเองตายภายใน5วันตายจ า, จากเขาเหยียบตายที่เขามาฆ่าตายด้วยฝีมืออาตมาทําเองให้เขาทำได้อาตมาทําได้ยั่วเขาได้แล้วมีเรื่องจริงด้วยอาตมาไม่มดเท็ดด้วยไม่หาเรื่องด้วย พูดเรื่องจริงนี่แหละให้เขาอักให้เขาทนไม่ได้แล้วก็มันฆ่าเราทําได้แต่ธรรมาไม่ซาดิสจะไปทําอย่างนั้นหรอกธรรมาไม่ทําไม่ใช่ซาดิสมาโซคิสซาดิสมันคือเห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดเราสบายใจชอบใจเห็นเขาชคกันผกดูมัวอยู่อ้กซาดิสอย่างนั้นเห็นคนอื่นเจ็บปวดตัวเองไปเจ็บปวดเองก็ไม่กล้าไม่ยอมแต่มาโซคิสนั่นตัวเองเจ็บปวดรัดส่ง ต, ต้องเจ็บปวดต้งนั่งแรงตบสักสามชาติ <c oughs> มันดีกรีดตัวเองให้เจ็บไม่หมนี่มาโซคิสมาโซคิสนทรมานตัวเองเจ็บตัวเองแล้วเป็นสุขนะเพราะงั้นคนซาดิสกับมาโซคิสเจอกันแล้วนี่เขาอยู่ด้วยกัน ร, รอด <c oughs> คนนึงยอมเจ็บปวดแล้วก็มันอีกคนนึ่งเห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วมันเพรา ะ, ะคู่นี้รอด <c oughs> อยู่ด้วยกันได้ มาโซคิสกับซาดิสเนี่ยแต่งงานกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วแต่จะเป็นยังไงก็เถอะอยู่รอดไอ้จะมาโซคิสก็เดี๋ยวก็มีแผลได้ก็เจ็บน้ำจำนี่ไปมสิมาโซคิสแต่เขาก็สบายเพราะว่ามีคู่ซ้อมไอซาดิสก็ซ้อมอยู่เรื่อยมันก็สุขของเขาเสร็จแล้วได้ก็กอดกันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันได้องสองคนที่มี มียังจิตปันวิปริตกั น, นอัตมาพูดเรื่องการเมืองเลยมาถึงมาโซคิสซาดิสแลไปกันเล อ, เอะเทอะไม่เลอะเทอะหรอกก็เป็นความรู้นะพวกเราต้องเข้าใจจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้สารพัดสารเพนะทีนี้เรื่องการเมืองเนี่ยอยากให้พวกเราตั้งหลักฟังสัญญาณที่อัตมาจะให้ไปเรื่อยๆอัตมาแสดงตัวโฉงจงคลร่มเกินไปก็ไม่ดีพเพราะคนยังไม่เข้าใจแต่อัตมาก็ไม่ปิดจนกระทั่งมันไม่เปิด เนี่มาบรรยายธรรมะตอนนี้ออกเคเอ็มสี่เจ็ดครึ่งเที่นี่คงรับไม่ได้เราอยู่กรุงเทพอ่ะออกเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทุกวันเนี่ยอัดใส่กระป๋องทิ้งไว้เขาเอามานี่เที่ยงวันถึงเที่ยงครึง่งทุกวันจันทถึงศุกร์ถ้าไปบนเออไปกรุงเทพก็ไปเปิดดูเปิดฟังทเที่ยงบรรยาย อาตมาก็บรรยายแม้แต่ ก, การเมืองอาตมาก็บรรยายไปแล้วจะออกอากาศไปแล้วยังไม่รู้รู้ไม่จะออกไปแล้วนะพอผ่านมาสี่ห้าวันจะออกอากาศไปตั้งแต่วันที่เจ็ดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เจ็ดพฤศจิกาที่ 2. วันนี้วันที่สิบหกแล้วโ อ, อ้สิบกว่าวันออกไปตั้งสิบกว่าตอนแล้วตอนที่ตอนที่สี่ที่ห้าอาตมาพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ตอนที่ทรายอีม่รู้พูดเรืงการเมืองีอเหมือนกันแล้วจะพูดอีก อธิบายการเมืองเชิงเชิงเชิงของอาตมาเข้าใจการเมืองจะเป็นยังไงอาตมาก็เขาอธิบายไปให้เขาหาว่าสมณพที่รักนี่มันเล่นการเมืองพูดการเมืองบอกอาตมาไม่เล่นหรอกอาตมาพูดจริงๆให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไปทํากันจริงๆไม่เล่นหรอกไอเล่นนเละเละเทะเทไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไปออกการเล่นมาเป็นการจริงไปเอากีฬาไปเอาบุไอการเล่นร้องราทําเพลงมาทำอะไรมาเป็นการจริงไปหมดเลยแล้วก็ราคาแพงแล้วก็อะไรเนี่ยมันถึงเละสังคมมันไปเอเรื่องเล่นคือเล่น จริงๆคือจริงไอ้ที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นจริงก็ต้องาสาคัญในสาระเอาไปเอาเรืองสาระมาเป็นสาระนี่เรามันล้มเหลวเนี่ยทั้งโลกในตอนนี้ล้มเหลวกันลื่เทิรไปหมดแล้วนะมาเรื่อการเมืองนีก็ขอให้อยัดนึกว่าเราทําไปอย่างงั้นศักดตัวธรรมนะขอให้ติดตามพยายามคือทำความเข้าใจและสร้างขึ้นมาเพราะระบบการเมืองที่สมบูรณ์แบบอาตมาพูดตรงนี้อีก มันยังไม่เคยมีในโลกประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบยังไม่เคยมีในโลกและเราก็ยังไม่สมบูรณ์หรอเราเพิ่งเริ่มต้นแต่เรามีเชิงคิดหรือมีแนวคิดว่าการเมืองประชาธิปไตยควรจะเป็นอย่างไรเราจะสร้างไปเรื่อยอายุอาตมา ก, ก็มากแล้วอาตมา ก, ก็ต้องทําไปกับพวกเรามันจะก่อไปได้สักเท่าไหร่ไม่รู้จะสารไปได้สักเท่าไหร่ไม่รู้เลยกว่าจะได้เป็นรูปร่างเป็นระบบขึ้นมามันจะได้เท่าไหร่อาตมาไม่หวังหรอกไม่หวงหัหวงว่าในช่วงชีวิตอาตมาเนี่ยพวกเราจะได้ส่งสอสอ จะได้ส่งไปเลือกปฏิลิสจะได้ส่งอะไรอาตมาไม่หวังหรอกถ้าจะส่งสมัครซซในประชาธิปไตยสซหาเสียงยังไม่ใช่ประชาธิปตไตยถึงแม้ว่าที่สุดจะเลือกนายกโดยตรงเหมือนกับเลือกประธานาธิบ ด, ดีของอเมริกานายกจะเลือกโดยตรงรัฐมนตรีจะเลือกโดยตรงประชาชนเลือกตรงเลยไม่ต้องมานั่งซับซ้อนอ like ย่างนี้ก็ไม่ต้องหาเสียง ยังหาเสียงอยู่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าจะเป็นนายกคนทั้งประเทศจะต้องรู้จักคุณดีคุณจะต้องมีคุณภาพดีคุณจะต้องมีชื่อเสียงมีสมรรถนะจริงทั้งคุณธรรมทั้งฝีมือที่จะมาบริหารประเทศเขายอมรับคุณเลยพอบอกคุณสมัครพับบอกเลยประเทศไอ้จังหวัดไหนก็บอกเนี่ยคนนี้สมัครไม่ต้องไปหาเสียงอ๋อคนนี้เหรอโอ้โหมีเฟเวอริตเพียงพอคนรู้ทั่ว มีกุศลวินเปงพอเชื่อถือเขาก็จะเลือกต่อให้ใครไปหาเสียงทับถมถล่มทลายยังไงยังไงก็ไม่มีทางไอ้เรื่องซื้อเสียงซื้อเสียงไม่ต้องพูดเลยไอ้ยังยังขี้หมาอยู่เลยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยต่อให้ประชาธิปไตยไม่ต้องซื้อเสียงก็เถอะประชาชนเข้าใจดีแล้วทุกคนสำนึกในหน้าที่ทุกคนไม่ขายตัวไปรับเงินซื้อเสียงอยู่ก็คือโซเฟ น, นีใช่ไหม ไปรับเงินซื้อเสียงเขาอะกระสอพินีแล้วราคาถูกมากเลยนะเสียงได้ไม่เขาทาไม่ต้องพูดเลยในยเรื่องค่อยซื้อเสียงเพราะไม่หาเสียงใครหาเสียงหน้าอายไปหาเสียงมาเลือกฉันนะอย่างพวกเราเนี่ยจะให้มาเลือกมาเป็นตัวแทนมาเป็นกรรมการมาเป็นโน่นนี่กระดาษมาหาเสียงก็กระดาษใช่ไหมรู้สึกแล้วถ้าเราจะไปทํา ด, ดีไม่ดีไม่กระดาษขี้เกียจหน้าเข็ง น, นักอีกตรงเนี้ ทั้งๆที่เราเหมาะสมที่จะไปทำงานมีความสามารถมีความรู้แล้วก็ไม่เอาไม่รับผิดชอบกลัวจะรับผิดชอบกลัวเหนื่อยอมันจะไม่มีคนทำงานเพราะอย่างงี้นะไม่กลัวเหนื่อยทำไมทำเธอมันเป็นคุณค่ามันเป็นทรัพย์มันเป็นสิ่งดีงามเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกด้วยใช่ไหมก็เข้าใจแล้วราะอนาคต กว่าจะส่งสสกว่าจะส่งววสงวกว่าจะส่งปาร์ตี้รีสกว่าจะส่งไปสมัครแข่งนายกเนี่ยมันจะประชาธิปไตยคนจะต้องเข้าใจประชาประชากรประชาชนประเทศไทยถ้าประเทศไทยสามารถสร้างระบบประชาธิปไตยได้อย่างนี้คิดดูซิว่าในโลกนี้ใครจะเสมอเหมือนใครจะเสมอเหมือนแนวคิดอย่างที่อาตมาพูดนี้นรัฐศาสตร์เขาจะเรียนรู้ทั้งหมดหรือเปล่าอาตมาไม่เข้าใจไม่รู้แต่อาตมาพูดอย่างนี้แหละ ผู้อย่างนี้แหละมันลูกเขาสอนกันหรอว่าประชาธิปไตยนั้นหาเสียงนี่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่อัตมาพูดอย่างนี้แหละเขาไม่ลูกเขาสอนกันหรือเปลารัฐศาสตร์แม้เป็นพรรคการเมืองก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยก็คือประเด็น ก, การพักแม้มีวิบก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ประเด็จวิบปร ะ, ระเด็จการวิบแม้มีสภาก็เปประเด็จ ก, ก, การสภากันอีกเนี่ยวิธีทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันประเด็จ ก, การเป็นหมู่หมูไปเท่านั้นเองซึ่งอัตมาก็เข้าใจว่ามันยังทําไม่ได้ มันยังไม่มีคนจริงพอก็ต้องใช้กรอบอกดระเบียบกฎหมายบังคับไว้ก่อนให้เป็นพักแล้จะโดยมารยาทสังคมแล้วเป็นพักแล้วอย่าแตกเสียงนะพูดกันไปเสี ก, ก่อนเสร็จแล้วก็แต่ละพักมารวมกันก็ต้องมีวิบอีกอวิบก็ต้องมาคุยกันอีกเฮ้ยหรือจะแตกเสียงนะเว้ยเดี๋ยวแตกเสียงอย่างกพลังทำเอาให้แตกตอนนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้หาว่าไม่มีมารยาทสังคมอะไรว่าเล่นนักการเมืองขี้มาอะไร ไม่ขี่มาหลอกสิทธิในการออกเสียงอย่ามาบังคับกันแม่จะอยู่ในพักเดียวกันอารักจะมีพักก็ไม่ว่าแม้ดู อ, อยู่ในพักเดียวกันเมื่อจะไปเข้าส ภ, ภาออกเสียงคนพักเดียวกันออกเสียงแตกได้สิทธิมนุษยชนน่ะก็เราไม่เห็นด้วยหมู่ใหญ่เราเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ออกเสียงอย่างนี้บังคับได้ยังไงประชาธิปไตยไม่บังคับพูดคุยกัน อาจจะมีอะไรก็จะพูดคุยกับพูดกันไปอภิปรายแล้วก็มันยังไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยก็ก็เสียงแตกแต่ก็ได้แต่จริงๆวิธีการก็เอาเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ชนะก็ชนะไปคุณจะแตกก็แตกได้แต่ถ้ามันยึดเอโกทโมเป็นหนึ่งเดียวเลยโอ้โหเสียงไม่แตกนั่นจะวิเศษนั่นเดียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่ทออําไา้เมื่อยางพวกเราในหนึ่งเดียวแหมเลือกพรักเลือกกรรมการบริหารพักหนึ่งเดียวเป๊ะเลย ไม่มีเสียงขาดไม่มีเสียงไม่มีแคนดิเดตเลยไม่ว่ากรรมการคนไหนสเสนอขึ้นมาสเสนอขึ้นมาคนไหนก็บอกอ้าวยอมรับยอมรับอ้าวใครจะสเสนอขึ้นอีกไม่มีเราพูดกันแล้วตกลงแม้ว่าคนอยากจะสเสนอบ้างก็บอกโอ้ยตอนนี้ถ้าไปแข่งเลยมันเสียเวลาแล้วก็คนนี้เหมาะแล้วดีกว่าเขาก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคู่แข่งเลยใครก็ไม่อวดดิบวดดียอมรับเออคนนี้ดีกว่าเราก็ ดีไม่ดีมันจะขี้เกียจโดยท่ำไปพวกเราอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งๆที่คุณเหมาะควรที่เข้ามาก็ยังไม่ค่อยเอาไอ้ยังงี้สิมันก็จะไปไม่เร็วแต่ถ้าบอกว่าเราเองก็พอเหมาะพอสมหน้าหมู่ฟงก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าเขาแต่งพูดประชดประชันอะไรสมควรเราก็จะไปขี้เกียจมากนะก็ไปรับทนาเหนื่อยก็เหนื่อยหน่อยเพื่อ่าจริงพวกเราไม่ได้ทํางานเพื่อหลับยศเสื่มเนี่ยไม่ไดเงินสักบาทมึงก็เลยอย่างงี้แหละแต่ถ้าเอาเงินล่อมั่งหลับล่อมั่งยศล่อมั่งเอาการล่อมั่งทำเงินในโลกีก็ใช้วิธีนนั้ แต่นี่ไม่ใช่โลกีมันโลกุตระนี่แหละคือการเมืองโลกุตระมันอาริยะบุคคลไม่ได้ขึ้นโดยลาบยศสรนเซนโลกีเยสุขแต่ทําด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานี่เป็นการเมืองอาริยะแล้วก็จะทำํำเพราะตอนนี้ก็เคยทําไปก่อนนี่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการอะไรแนละ้วก็ยังไม่ได้มารวมหัรวมกลุ่มกันพอฟังอะไรเนี่ยอาจมาก็จะได้ไปพูดบรรยายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆพวกเราก็ค่อย ศึกษาฝึกฝนทําไปได้แก่ไหนแก่ไหนก็ว่ากันไปเราสัมพันธ์กับสังคมถึงขนาดระดับประเทศเป็นเรื่องของสังคมก็แล้วเป็นนิตินายจดทะเบียนเลยอะไรอะไรเลยก็ว่ากันไปแต่งานเราจะมีางานที่ทํางานการเมืองเราก็จะมีเพราะตอนนี้ก็ตั้งบุคคลตั้งงานแล้ว เ, เดี๋ยวก็จะมีหน้าที่เราจะก็ค่อยศึกษากันไปค่อยปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าเอาแต่แต่ตําราตําราก็อ่านด้วยดูด้วย แต่ละแห่งนี้ต้องมีต้องดูกฎหมายดูวิธีการทางรัฐศาสตร์เขาด้วยอะไรอะไรด้วยศึกษากันไปเพื่อที่เราจะทำกับสมคสมคมรอบกว้างขึ้นสำหรับพวกเราเองอาตมาเชื่อว่าเราพอพึ่งตนเองได้รอดละเพราะฉะนั้นเราจะเอาพลังงานไปทำทางโน้นเราก็จะลดพลังงานทางนี้แล้วเราต้องเร่งลึกๆขึ้นมาอีกเราต้องเร่งนะเร่งภายในลึกๆขึ้นมาอีก ความต้องการของสังคมเราก็จะเกิดตัวกระแสกดดันเรียกร้องคนที่ยังไม่มาก็อยากจะมาหรือคนมาแล้วยังไม่เข้าลึกยังไม่เข้าในรายยังไม่ช่วยก็จะเห็นความต้องการว่าโอ้หนี่ต้องการแรงงานต้องการคนช่วยมันไม่มีคนช่วยมันก็จะทำให้เขาเองเขามีขมันขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นตัวเร่งไปในตัวในทีนี่เป็นเรื่องของสังคมมันจะมีกระแสมันจะเป็นกระแสของมัน มันก็จะดึงดูดให้คนรู้สึกประธรรมพวกเราก็ต้องสังวรคนในแล้วก็ต้องสังวรระวังพยายามพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งขึ้นจะได้เป็นแก่นเป็นแกนแกที่แน่นหนาแข็งแรงขึ้นไปภาษาของทางสังคมขณะนี้บอกว่าต้องการชุมชนเข้มแข็งชุมชนอะไรชุมชนเพียงพอชุมชนพึ่งตนเองเป็นภาษาศัพท์ของทางสังคมขณะนี้ใช่ไหมชุมชนพึ่งตนเองชุมชนธรรมชาติที่จะเราทําอะไรเป็นธรรมชาติ ชุมชนพอเพียงอะไรก็แล้วแต่เามีภาษาอะไรอีกเศรษฐกิจชุมชนชุมชนที่มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีนะพางเราก็จะต้องเป็นอันนี้แหละให้ได้ให้ทั้งคุณภาพและปริมาณที่คนอื่นเขาเข้าใจได้ดีขึ้นดีขึ้นมันจะเป็นได้ก็ต้องประสิทธิภาพของคนของพวกเราต้องเจริญ แกะต้องมีทั้งการผลิตการสร้างสรรมีทั้งระบบที่การเป็นอยู่ซึ่งเขาก็จะมาดูเรื่อยๆมาดูการเป็นอยู่อยู่ยังไงกินยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงในเชิงของสังคมศาสตร์เชิงของมนุษย์ษยวิทยาเชิงของจิตวิทยาเชิงของศีลธรรมเชิงของการเป็นอยู่อะไรก็ตามใจแม้แต่ที่สุดระบบการสังคมศาสตร์เนี่ย สังคมศารระดับสาธ า, ารณโภูเข้เรานี้โอ้มันกินอยู่ส่วนกลางคนไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากมายกินง่ายๆอยู่ง่ายๆทําทอาหารมาสองสามอย่างก็กินรสชาติก็ลดละไปได้เราจึงกินได้ถ้าจะไปเอาสังคมทั่วไปทุกวันนี้แต่ละบ้านแต่ละบ้านในบ้านนี้ติดอย่างนี้นะอาหารนี้แม้แต่น้ำพริกบ้านนี้อยกกระพริบถ้วยนี้ไปบ้านโ น, น้นบ้านโน้ น, นกินไม่ลงอ่า ไปยกไปบ้านโน้นบ้านโน้นกินไม่ลงขนาดนั้นบ้านโน้นโยนทิ้งเลยอย่าว่าจะกินไม่ลงไอ้ยางงี้มันคือความต่างในความยึดถือของเราเนี่ยทำน้ำพริกมาเนี่ยกะละมังนึงเนี่ยกินกินไม่ได้ก็อย่ากินนี่รอยรอยคนนี้กินไม่ได้ก็อย่ากินทุกคนก็กินได้ไม่เรื่องมากเลี้ยงง่ายยังเดือแต่ใส่รางมันหมูเท่านั้นเองเห็นไห พยายามพูดมาจำซ้ำากนี่เราคือคนที่พัฒนาแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าแหมเป็นมนุษย์จานบินตั้งโตแล้วอาหารอะไรของมึงวะเคลีออ่มจานเลยนี่มันพอมนุษย์จานบินพวเมียเมียมทำกับข้ามาไม่ถูกปากโค ก, กับความจานเลยมนุษย์จานบินพวกนี้นี่ให้ไปอยู่กรัฐเซียไปอยู่กอเมริกาเงินงเดือนสูงมนุษย์จานบิน เราไม่เป็นคนเช่นนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษย์ชาติก็เท่านี้แหละปฏิบัติอย่างนี้แหละที่อาตมานำพาธรรมะในหยิบขึ้นมาอธิบายสู่คุณฟังคุณจะได้มีปฏิพานได้มีวิสัยทัศน์มโนทัศน์เข้าใจว่าอ๋อมันอย่างนี้เองเหรที่พาปฏิบัติมาเนี่ยมานั่งกินสอตก๊อตสก๊อต ก, ก, ก็โหบางทีก็จืดบางทีถือก็ยังกิกงกนโอ้ถ้าคุณลดละได้คุณก็กินได้มันไม่ติดใจอะไรแล้วมัน ก, ก, กินเพื่อ ย, ยังขันได้ธาตุ ท่านนั้นมันมีท่าที่ไปเลี่ยงขันได้ก็จบเท่านั้นเองคุณไปติดอะไรรสชาตานักหนาฝรั่งกับปรุงซุปมาก็ยังนำล่างหัวลานเือซุปฝรั่งคุณกินดูสิจืดๆพวกคนไทยกินไม่ลงหรอกแต่ฝรั่งมากินสบายมากินแกงไทยมบอกโอ้โห very hot ทำไมมันจัดอย่างนี้มาแต่อยู่ในเมืองไทยไปอีกหน่อยมันติดรสไทยกลับมาบ้านกินน้ำล่างหัวล้านไม่ได้ สู ფ หรั่งมามาเสิร์ฟมันไม่กินแล้วสูฟรั่งมันเรกินแกงแบบไทยแล้วพอมาเจอคนไทยคราบงามเข้าไห้ก็ติดไปนคนไทยมาเป็นทู่ในประเทศไทยก็ไมันจะคนไทยคนต่างชาติมาเป็นทู่ในประเทศไทยกลับบ้านเมียจะต้องพยายามจาลองปลูกต้นพริกในเพราะอภูมิในประเทศไม่เหมือนกันยังต้องปลูกพริกในตู้กระจกะเด็ดเด็ดเม็ดพริกมาทํากับข้าวให้ผัวกินพผัวมาเป็นทู่ประเทศไทยไปซะหลายปี แต่ของดีกลับบ้านถูกมอมเมาติดรถรถเผ็ดกลับบ้านไม่งั้นกินข้าวไม่ลงเพลินไหมนี่นะเวงเอาแล้วใครยากติดอยู่ก็รู้กันไป <c oughs> นี่ก็อธิบายให้ฟังมาเป็นธรรมะไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะอะไรไมันเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องดองล้างอัาธาเรื่องอุปทานเรื่องคนเบิรนก็มอมเมากันอย่างเงี้ย แล้วก็มาล้างคิดดูสิคุณไปติดมามมากๆแล้วคุณจะไปล้างไหวอะไม่ติดดีแล้วเขามีอะไรจะเถิดเถิงเขอย่างนู้มองเมากันคุณไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปติดมาอีกเขาติดเขาเลิกเขาเลิของเขาเรามีเท่านี้ก็ล้างให้มันหมดเถอะมีเท่านี้ก็จะตายอยู่แล้วล้างให้หมดทุกทีใครแน่ใจว่าจะเป็นอรหันต์ได้บ้างละ่ะชาตินี้ทำไมต้องร้องทำไมโหผู้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหรันต์ ทำไมต้องดูถูกตัวเองขนาดนั้นะภากเพียนก็เถอะอย่าเพิ่งไปอย่างนั้นภากเพียนเข้าอพากเพียนไปภากเพียนไปเมื่อรู้ตัวก็อายานี่เราอาหารหันแล้วเนี่ยเมื่อรู้ตัวก็สูงเสร็จแล้วนะระวังจะเมือเเม่อรู้ตัวก็สายเสร็จแล้วสวยตายเลยเมื่อรู้ตัวก็สายเสร็จแล้วย่าเชียวนะ มันมีอยู่ถ้าไม่มีก็แล้วไปผู้สอนก็มีอยู่เพื่อนฝูงที่เคี่ยวเข็นเราก็มีอยู่เราจะปฏิบัติดูก็มีคนอำนวยความสะดวกที่จะให้ปฏิบัติดูเราจะฝืนได้กิเลส ข, ของเราตั้งตนยันความลำบากของเราเท่านั้นแหละเอาซะบ้างนะอัตมาก็เคี่ยวเข็นนะัก็อยากได้ให้มาเกิดสภาพนะอะไรใจขึ้นมานะตอนนี้ก็อัตมาก็เปิดเผยอะไรอะไรมากๆพอสมควรว่อัตมาคง อายุอาตมาบอกแล้วอาตมารู้ว่าอาตมาอายุเท่าไรตายอาตมารู้แต่ว่าอาตมาได้ใช้อิทธิบาทก็คิดว่าไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากตายอายุเท่านั้นแล้วนะแต่คิดว่าแม้เราทํางานมาได้เท่านี้เองมันน่าจะทําได้ไปต่อกว่านี้เราก็คิดว่าจะต้องเอาละก็ให้ชีวิตยาวยืนไปคนนี้หน่อยก็ลากเข็นไปอีกก็พยายามใช้อิทธิบาทอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะอิทธิบาทนั้นจะได้ไปอีกกี่ปีซึ่งบอกไม่ได้อาตมาก็บอกไม่ได้จริงๆ เท่าที่มันจะเป็นไป ต, ตามเหตุปัจจัยที่ทําได้เขาพยายามนะชูนก็ช่วยพยายามที่จะไม่ให้อัตมาอายุสั้นเขาพยายามที่จะช่วยโดวยวิธีอะไรก็แล้วแต่อัตมาก็ช่วยตัวเองอยู่เขาพยายามที่จะให้อายุยืนยาวไปจะได้ทํางานเป็นนานจะได้เห็นได้อะไรๆ ไ, ไว้พอสมควรเพมันก็จะประมาทนะจริงๆก็ไม่ได้หมายควาว่าอัตมาตายไปแล้วทุกอย่างจบอัตมาเชื่อมั่นว่าอาโศกนี้ตั้งหลักได้แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ดี ถ้ามาย่งอยู่มันก็ยิ่งดีกว่าใช่ไหมแต่อัตมาตายไปแล้วมันก็ตําเดินไปต่อเนี่ยท่านตั้งร้ายนี่ก็ต้องเอาใจใส่พวกเราแม้แต่เป็นคารวะก็เป็นหน่วยหนึ่งของพุทธบริษัทไม่ได้ไหมายความว่าจะให้แต่เฉพาะมีสมณะเท่านั้นพุทธบริษัทก็มีทั้งคารวะด้วยอุบาสกอุบาสิกาถึงจะมีภูมิธรรด้วยเร ต, ต้องอศาศัยเป็นอาริยะบุคคลด้วย ยู่ทุกวันนี้ต้องอาศัยพิสูจน์อาริยบุคคลแบบครวัตนี่ต้องพิสูจน์กันอย่างมานบอกโอ้ท่านเป็นพระแล้วท่านก็ทําได้สิทําไมมีเงินไม่มีทองท่านไม่ต้องไปสะสมเงินทองไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องอะไรท่านก็ไปพระท่านก็จะมีสมณะส่านกได้ผมยังเป็นครวัตอยู่นี่ผมต้องแต่งงานผมต้องมีเงินมีทองต้องเลี้ยงลูกเลี้งหลานต้องอะไรต่ใดอจะมาพูดให้ยากเลยอโศกเราจะพิสูจน์เลยว่าไม่ต้องแต่งงานนี่ระยอดคนพรลเมืองห้าพันล้านจะ6ก0 0นล้านแล้วจมันขึ้นเร็ว เพราะท่านไม่ต้องไปเพิ่มพลเมืองล้างกิเลสไม่ต้องไปเพื่มพลเมืองหรอกเราเลือกเนี่ยลูกเต้าเราล้านของคนเนี่ยเราเลือกมาเราเลือกเอาคัดเลือกมาเพื่อที่จะมาเพิ่มพลเมืองเป็นอาดีบุคคลได้มีทางเลือกได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นสังคมของเราในเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าปิดประตูจ <über. S 2> นกระทั่งแต่งงานไม่ได้เลยก็จะมีคนแต่งงานกันในนี่แล้วพวกชาวโศกเองเนี่ก็มีละ แ, แม้แต่เด็กๆด็เดี๋ยวนี้มันไม่มองคนข้างนอกละ แม่เด็กพวกเรานี่มันผู้ชายข้างนอกผู้หญิงข้างนอกมันก็ไม่มมอันมามองพวกกันเองแล้วกิเลสมันยังมีอยู่มันก็จะแต่งงานกันเองเอาแล้วแต่งงานกันเองเราก็รับรองไม่ได้ว่าลูกกอเกิดมามันจะเป็นลูกผีหรือลูกคนบางคนก็แต่งงานเพราะอดไม่ได้กิเลสมันไม่ยอมมีลูกก็ไม่เป็นเป็นไรก็ดีเหมือนกันไม่เป็นลูกก็อย่าไปทําแท้งกัแล้วกันอย่าให้มันผิดกันแล้วกันชุนจะป้องกันก็เชิญป้องกันไม่มีปัญหาวิธีป้องกันที่ไม่บาปมันก็มีอยู่เราไม่สุดตรงไปจนกระทั้งเหมือนกับศาสนาคริสต์เขาไม่ได้ แต่ไม่ได้นะทำป้องกันใช้อะไรอะไรป้องกันไม่ได้คิดก็ไม่ได้เลยเขาต้องปล่อยตามธรรมชาติเขาบอกงั้นถ้ามีลูกก็ต้องเลี้ยงเราไม่โงงถึงขนาดนั้นนะคุณจะป้องกันป้องกันคุณมีกิเลสคุณจะต้องแต่งงานก็เรื่องของคุณแต่ใครไม่แต่งงานนี่สิดีกว่าลดละกิเลสได้ไม่ต้องถึงแต่งงานดีกว่าแล้วก็จะได้อิสระเสรีไม่ต้องห่วงไม่กระตั้งคู่ไม่ห่วงต้องไม่กตัภาระนนีไม่ต้องห่วงจริงๆเป็นอนาคาติกะเป็นอนาคามีช่วยสังคมได้มากกว่า เธออาตมาว่าอธิบายมากแล้วนะได้ไดขยายความจน้อมจะรอบจะล้อมหมดแล้วว่าทำกันไปปลูกฝังกันไปเฝัะมันก็จะเป็นสังคมเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตค น, คนจะอนุชนรุ่นหลังจะมาเป็นมวลต่อไปก็คือเด็กที่เป็นเด็กที่เป็ น, ปนลูกของชาวโอโศรเองด้วยเด็กที่เราจะเลือกมาในแหลกสายการศึกษาต่อไปก็จะต้องมีอาตมาว่าจะไม่สร้างอนุบาล น, นี่เขาก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวคนที่เขลองเอามาเรียนเด็กกันุบาลอนุบาลเอาวัดไม่ได้เลยวัดยากแล้วมันม่ไมไม่ไหว เด็กที่พระพุทธเจ้ายัางคนบวชนี่ท่านยังเอาเป็นเนรตั้งอายุเจ็ดขวบขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเอาปฐมขึ้นไปดีกว่าอย่างน้อยนะถ้าเราได้จากนี้เราก็จะคัดเลือกไม่ดีเราก็ไม่เอาเรามีสิทธิ์ไม่ดีเราก็ไม่เอาเรามีมาตรก า, ารอย่างที่ว่าทีนี้ไอ้ลูกเราอยู่ในนี้นี่แหละอีกหน่อยต่อไปมันก็จะเป็นถ้าลูกพีมันมาเกิดสักวันมันก็ต้องนี่แหละคุณจะต้องมาตัดใจลูกคุณจะต้องคัดออกจากกลุ่มเนี่ยนะจะเจ็บหนักเพราะจะต้องคัดออกจากกลุ่ม คุณจะอยู่กับกลุ่มไหมหรือว่าคุณจะไปกับลูกเอาให้ดีนะเรายังไม่รู้ได้เลยว่าเป็นลูกผีหรือลูกคนอย่เสี่ยงดีกว่าอย่ครูวไว้ได้ ย, ยังไม่ไม่ไหวไม่ไวายนะอีเดียวศรีสะโสมีอีก ส, สามทองตอนนี้กํำลังท้องสามทองแต่เด้ขาวว่าแทงไปทองหนึ่งเลยอยู่เลยสองทองอยะเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงไปแล้วเราไม่แน่ใจย่างนว่าลูกผีหรือลูกคนมาเกิดแต่เอาเถอะถ้าลูก เทวดาลูกพระมันเกิดก็แล้วไปก็รอดก็อยู่กันไปก็เป็นกราบทานไปถ้าลูกผีมันเกิดกับเวรถ้าจะต้องให้ออกคุณจะไปกับลูกหรือคุณจะอยู่กับลูกเอ้อคุณจะอยู่ว่าหมู่นีตอนนี้คุณจะต้องนาบอกไว้ก่อนนะลวงหน้าใครเจอคนนั้นนะนะบอกลุงหน้านี่คือธรรมะที่เราจะต้องปลูกฝังจะต้องทํากันไปยังมีเรื่องอีกหลายอย่างอาตมาก็จะพูดกันไปตามลาดับ เนี่ยก็ค่อยขยายความก็จะรู้ว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้ชุมชนต้เปางนคือจะบอกว่าใจดำมาตมาว่าเราไม่ได้ใจดําเลยเราทําเพื่อสังคมส่วนลึกมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมีมโนทัศน์ที่ลึกที่อาตมาพูดเนี่วิสัยทัศน์ที่กว้างและลึกที่จะให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ตามที่เราจะมีสมรรถนะหรือฐานะของเราเกินฐานะเรียกว่าอัฐานะเราก็ทําไม่ไหวละเราก็ไม่ทําละฐานะทําได้เท่านี้เราจะทําเท่านี้ฐานะเป็นไปได้เท่านี้เราขอเป็นไปได้เท่านี้ก่อน ต้องอยู่ในฐานะที่ควรทำฐานะเราทําไม่ไหวต้องประมาณพวกนี้อย่างสมบระกสมควรอเอาละอาตมาตั้งใจจะเทศมหยมาถึง11บเอโมงนันเนี่ยอีกหนาที11บเอมงอจบก่อนดีกว่ามันจะได้ไมาถึง1สิบเอทําไมงาด้ทำไ ม, ำไมอะยังไม่ได้พูดโรมาทําไมอ่าเอาเรื่องไห่พูดแลยวให้มาก็จะจบอที่อาตมามานี้มาทําไมอาตมาพา เนี่ยสถาปนิกวิศวกรเนี่ยมาดูที่ที่ผู้ผาฟันน้ำมาดูสถานที่จริงๆจะได้วางผังวางแปลนจะได้ออกแบบสร้างพระวิหาร500รดอยฟ้า <c oughs> ไม่ใช่พันถ้าพันแล้วก็สัติสศขพระวิหารพันปีไอั น, นี้ อ, อแค่500รอยวิหารห0ารดอยฟ้าะจะใช่ไม้ทั้งหมด แล้วมันจะสร้างยังไงก็ต้องมาดูอย่างนี้เขดูแล้วก็จะได้รู้ยังเหลือแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้เป็นดูจะเอาให้มีวัฒนธรรมมีศิลปวัฒนธรรมเป็นเชิงทางเหนือหน่อยนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติวัฒนธรรมเนี่ยศรริลปวัฒนธรรมมันต้องมีจริงๆแล้วมันก็เป็นความภาพภูกมันเป็นความผูกยึดมันเป็นความอาศัยมนุษย์เรามีจิตใจอย่างนี้ด้วยเราปฏิเสธไม่ได้นะ อย่าแตมาพยายามดึงดันทุกวันนี้ให้เด็กนักเรียนมานุ่งผัาถุงผู้หญิงให้นุ่งผ้าถุงดึงดันจะเลือกที่ว่าถึงดึงดันก็ดึงดันเพราะว่าตอนไปขออนุญาตยูนิฟอร์มโรงเรียนสมาศิขาเป็นยังไงเราก็เคีนไปเลยมีผ้าถุงเขาบอกทําไมไม่เอากระโปรงบอกกระโปรงไม่ใช่ไทยเขาจะไม่ให้นะบอกโคยมันไม่ได้หรอกเราก็อาบอกแล้วผ้าถุงนี่เป็นวัฒนธรรมของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนเว้นมานุ่งผ้าถุงแล้วใช่ไหม พอยันอย่างนี้เขาก็ค่อยยอมลดลาวาสองเราจะยืนยันนี่ขอตยืนยันว่านี่เป็นวัฒนธรรมไทยเราไม่เป็นนุ่ง ก, กับโปรงจะเป็นกับโปรงฝรัง่งจะเป็นกับโปรงจีนกับโปรงแขกอะไรก็แล้วแต่เราไม่เอาอไทยเรานุ่งผ้ถุงมาใช่ไหมอ่าแม้ที่จริงแล้วจงกระเบนก็มาตามหลังผ้ถุงจริงๆมาก่อนในผ้าถุงแล้วมาจงกระเบนแล้วค่อยจะพับก็จงกะเบนบางป้าถุงบางตอนจากผ้าถุงจากจงกระเบนก็กลายมาเป็นกับโปรง เราบอกเราจานั้นเด็กผู้ชายเราก็ให้นุ่งเคเกงแบบครกงไทยนั่นเนะนะเสื้อก็เสือ้อแขนกระบอกเสือ้อคอคมของคอตั้งอะไรบ้างก็คอไทยก็ อ, อย่างนี้ที่เป็นยูดเป็นเครื่องแบบของนักเรียนเราก็เรียกว่าดึงดันก็ดึงดันมันเป็นวัฒนธรรม มันเป็นสิ่งใดกันแล้วแต่ทุกวันนี้คนเข้าใจเพิ่มขึ้นมันจะต้องอาศัยวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมใช้ศิลปะไม่นด้เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยบางอันก็เถอะมันมันรุ่มรามแล้วมันมันมันไม่ไม่ได้เรื่องและมันไม่มีน้ํายาอะไรที่ควรจะดึงมาถ้ามนุษย์ปาถุงมันก็ไม่เป็นปกระโปรงสั้นกระโปรงยาวใช่ไหมผ้าถุงยังไงมันก็อย่างนั้นถ้าเป็นกระโปรงเดี่ยวมันก็สั้นประเดี๋ก็ยาวโอ้โหเดี๋ยวนี้มัน มันทำไมมันนุ่งนุ่งมาแล้วก็มันทำไปตั้งปิดปิดทําไมเจตนานุ่งมาสั้นไปปิดทําไม่อธมาเลกอยู่ทำนุ่งสั้นจะนุ่งก็จะนั่งก็ยากจะลุกก็ยากปิดแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไม่เอาผ้าอไม่เอากระเป๋าปิดก็เอาผ้าปิดปิดทําไม่เจตนานุ่งให้มันสั้นน่ะพูดแล้วมันน่าคือถ้าเป็นผ้าถุงแล้วมันไม่มีเราผ้าถุงสั้นผ้าถุงยาวมันก็คือผ้าถุง มันจะได้ไม่ต้องไปเป็นแฟชั่นมัเหมือนกระโปรงก็ต้องสั้นยาวๆแล้วก็บบาบๆไอ้ยาวไม่พอแหกอีกตัางหากแม่พูดไปชอบตามตูดฝรั่งครับเนี่ยมาตามตูเครืองอะไรเขาทำคือมันไม่เป็นตัวของตัวในคุณลักษณะของจิตวิทยาการเป็นตัวของตัวเองการรู้จักสาระค่าของมันอย่างนี้อย่างนี้เป็นชื้อชาติเป็นสัญชาติ เป็นน้ำหนักของพวกเราเมื่อบอกว่านี่อโศกต้องเป็นน้ำหนักงี้คล้ายๆกันนะชาติไทยก็ต้องแต่งอย่างไทยอโศกก็ต้องแต่งอย่างอโศกคล้ายๆเงี้ยมันเป็นตัวน้ำหนักของสิ่งที่จะยึดแล้วก็จะต้องก็ทําอะไรเพื่อที่จะแผ่อิทธิพลออกไปสู่ความกว้างได้อยู่เป็นของดีน ะ, ะเพราะงั้นมานี้มาเรื่องนี้มันจะเกินจนได้เนี่บอกว่าเลื่อนนาทีนึงมันห้ามเป๊ะละล ม, า, ม า, ากกัน ไปเรื่อยๆเรื่องสร้างเมื่อลงมือนี่คือคําตอบไม่ต้องห่วงตอนนี้เงินที่เก็บไว้ได้ก็คิดว่าเนี่ยพูดกันแล้วว่าจะสร้างเป็นไม้จะมีปูนในส่วนสําคัญที่จําเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโครงไม้เสร็จแล้วจะเป็นเป็นต้นเสาเนี่ยพวกช่างทางเหนือนี่มีเยอะให้สลักเลยเสาต้นเสาทุกต้นนี่เลยเอาฝีมือดีๆมาเอาคนนี้เหมาเสานี้สลักไปเลยจนแก่ตายก็ได้สลักนม้สลักเสาแต่ต้นอะไรไปนะ อ่ะวเลยเวลาไปจนได้เนี่ยมันไมน่มันเป็นคาเร็กเตอร์ของอาตมานี่มันเลยไปหนึ่งนาทีแล้วเอาเอวัง